วันนี้พวกเราก็มาเติมน้ำมันกันจิตใจเราเป็นเหมือนรถยนต์เรากำลังจะเดินทางไปสู่วิมานไปสู่บ้านที่แท้จริงของเราบ้านที่ไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บบ้านที่ไม่มีความตายบ้านที่มีแต่ความสุขความสบายใจ ความอิ่มใจบ้านที่พระพุทธเจ้าได้ไปถึงแล้วแล้วก็ทำทางแล้วก็บอกวิธีที่จะให้พวกเราได้ไปถึงบ้านตอนนี้เรายังขาดน้ำมันน้ำมันที่จะทำให้จิตใจของเราเดินไปถึงบ้านที่เราต้องการจะไปกัน เราก็ไปได้เพียงแต่บ้านชั่วคราวบ้านที่ได้แล้วเดี๋ยวก็ต้องพังไปพังไปก็ต้องหาบ้านใหม่ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธเจ้าไม่ได้พบกับพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรกันบ้างถึงจะทำให้เราได้ไป ถึงบ้านที่แท้จริงของเราไม่ติดอยู่ที่บ้านชั่วคราวบ้านที่แท้จริงก็คือพระนิพพานบ้านที่ไม่มีวันแก่วันเจ็บวันตายบ้านอื่นยังมีวันแก่วันเจ็บวันตายบ้านของมนุษย์บ้านของเทวดาบ้านของพรหม ยังเป็นบ้านที่อยู่อาศัยชั่วคราวไม่ใช่เป็นบ้านถาวรมีพระพุทธเจ้าพระหลานตัสสาวกที่ได้ไปถึงบ้านที่ถาวรเพราะกาการตัดสู่ของพระพุทธเจ้าทรงรู้ว่าจําเป็นจะต้องทําอะไรบ้างถึงจะไปถึงบ้านที่ถาวรได้แล้วท่านก็เอามาสั่งมาสอนพวกเรา ให้พวกเรามาเติมน้ำมันที่จะพาให้ใจของเราได้ไปถึงบ้านที่ถาวรถ้าเป็นจรวดก็ต้องเติมน้ำมันพิเศษถึงจะมีพลังที่จะหลุดออกจากแรงดึงดูดของโลกได้ถ้าเติมน้ำมันไม่มีกำลังพอเดี๋ยวขึ้นไปได้กลางครึ่งทางก็ตกลงมา น้ำมันที่พระเจ้าสงสอรให้เรามาเติมกันก็เรียกว่าบารมีบารมีนี้เป็นน้ำมันของใจบารมีข้อที่หนึ่งก็คือเมตาามเมตาบารมีเมตตาบารมีหมายถึงให้เรามีความคิดที่ดีคิดดีพูดดีทำดีกับบุคคลอื่น การแผ่เมตตาจึงต้องมีคนรักไม่ใช่แผ่คนเดียวอยู่ในห้องส่วนมน์เสร็จก็นั่งแผ่อย่างนั้นยังไม่ได้แผ่อย่างนั้นเป็นเพียงแต่คิดคิดว่าแผ่คิดว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายจะไม่มีเวรนรรมกันเธออันนี้เป็นเป็นการคิดเป็นการสอน จิตสอนใจให้รู้จักวิธีแผ่เมตตาว่าแผ่อย่างไรการแผ่เมตตาก็คือต้องไม่มีเวรไม่จองเวรจองกรรมการจะไม่จองเวรจองกรรมก็ต้องให้อภัยเช่เวลาเจอกันแล้วก็ไปทำอะไรแล้วก็เกิดความโกรธกั น, นก็ให้อภัยกันอย่ากโกรธกัน ใครก็พูดอะไรทำอะไรทำให้เราโกรธทำให้เราเสียใจทำให้เราน้อยใจทำให้เราทุกข์ใจ <c oughs> ถ้าไม่มีเมตตาเราก็มักจะโกรธเราก็อยากจะแก้แค้นทำเราได้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเราต้องทำบ้างแต่ถ้าเรามีเมตตาเราก็บอกว่เ า, เ, าเราแก้แค้นไม่ได้น้้าแค้นไม่ได้ คนที่มีเมตตาต้องให้อภัยต้องแผ่ตอนที่เราเกโกรธแผ่ตอนที่เราอยู่ในเหตุการณ์อยู่กับบุคคลนั้นบุคคลนี้ไม่ใช่แผ่ตอนที่นั่งคนเดียวอยู่ในห้องไหว้พระสวดมนต์ส่ก็แผ่เมตตาขอให้สัตว์ทั้งหลายจงไม่มีเวรต่อการเธออันนั้นเป็นเพียงแต่ คำพูดเฉยๆเหมือนกับขอให้ศัตว์ทั้งหลายร่ำรวยกันทุกคนเถิดแล้วเขาจะร่ำรวยจากการที่เราพูดไหมอยากให้เขาร่ำรวยก็เอาเงินไปให้เขาเลยถ้ามีเงินก็เอาไปแจกคนนั้นคนนี้เดี๋ยวเขาก็รวยขึ้นนั้นการเจริญเมตตาการแผ่เมตตาต้องเจริญด้วยกายวาจาใจ ไม่ใช่เจริญด้วยใจความคิดเฉยๆที่เราสวดมนต์แผ่เมตตากันเวลาสัตตาหุนตุอัปยาปชาหุนตุอะนิกาหุนตุสุขีอั ต, ตานาหะปาริหะรันตุขอให้สัตว์จองอย่ามีเวรกันเถิดจงจงอย่าเบียดเบียนกันเถิด จ, ง, จ, ง, จงพ้นจากทุกกายทุกใจเถิดอ ยังมีความสุขรักษาตนเถนะิดอันนี้คือความปรารถนาดีต่อสปปรรพสัตว์ทั้งหลาย <Yeah. S 1> แต่ความปรารถนาดีนี้จะเกิดผลก็ต่อเมื่อเรานำเอาไปปฏิบัติเ <Yeah. S 1> ช่นเวลาเห็นคนเขาตกทุกข์ได้ยาก <Yeah. S 1> เดือดร้อนอยากให้เขาหายจากทุกข์กายทุกข์ใจก็ช่วยเหลือเขาสิ <Yeah. S 1> เขาไม่มีข้าวก็ซื้อข้าวให้กิน ไม่มีเสื้อผ้าก็ซื้อเสื้อผ้าให้เขาอานีน้ถึงจะเรียกว่าแผ่เมตตาแผ่แบบไม่เสียเงินมันมันก็ไม่ได้มันไม่ได้ผลตอบแทนแผ่แผ่มันต้องแผ่ด้วยการเสียสละแบ่งปันเรามีของเหลือเฟือเหลือใช้เราก็แบ่งปันให้แก่ผู้อื่นไปเพราะเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ตายไปก็เอาไปไม่ได้ แต่ถ้าเอาไปแบ่งปันกันเราก็จะได้เมตตาบา ร, รมีได้ทานบา ร, รมีได้สองข้อก่อนที่เราจะทําทานบา ร, รมีสร้างทานบา ร, รมีได้เราต้องมีเมตตาก่อนถ้าเราคิดได้าเราโกรธคนนี้เราจะให้เราจะให้เขาได้ไหมเราจะให้ข้าวของให้เงินทองเขาได้ไหมเพราะเราไม่ชอบที่หน้าเขาเราโกรธเขา แต่ถ้าเรามีเมตตาเราก็ให้อภัยเวลาหุนตุแล้วถ้าเห็นเขาเดือดร้อนก็อพระพุทธเจ้าบอกว่า อ, อัปยาปัจจาหุนตุอานิคาหุนตุขอให้เขาอย่าทุกข์กายทุกข์ใจเลยถ้าเขาทุกข์กายทุกข์ใจเราช่วยเหลือเขาได้เราก็ช่วยเหลือเขาไปถึงแม้ว่าเขาจะมาทําให้เราเจ็บําน้ําใจอแต่เราก็ไม่ถือโทษกอดเคืองให้อภัย นอกจากให้อภัยแล้วยังช่วยเหลือเขาเอกีกนี่นะผู้ที่มีความเมตตาจริงต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เมตตาด้วยการนั่งสวดไปนี้แล้วพอไปเจอเหตุการณ์จริงก็ทะเลาะกันตีกันด่ากันขึ้นโรงขึ้นศาลกันอันนั้นตอนเย็นก็ไปสวดกลับบ้านก็ไปสวดแผ่เมตตาพอออกจากบ้านก็ขึ้นเวทีไปโชกกัน เอาแพ้เอาชนะกันแก่งแย่งชิงดีกันอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาแผ่เมตตาต้องอเนี่ยถ้าเขาทําให้เราโกรธก็ต้องให้อภัยไม่จองเวรถ้าเราทําอะไรก็อยากไปให้เบียดเบียนเขาออยากจะได้อะไรทํางาน ห, หาเงินหาทองก็อยากไปเบียดเบียนเขาอยากไปทําให้เขาเดือดร้อนจากการ ทำมาหากินของเราเช่นอยากไปทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้อย่า้แล้ก็เป็นการเบียดเบียนถ้าเห็นเขาตกทุกข์ได้ยากเห็นขอทานก็ให้เงินเขาบ้างเพื่อเขาจะได้บรรเทาทุกข์กายทุกข์ใจแล้วก็ถ้าอยากจะให้เขามีความสุขถึงแม้ว่าเขาไม่ตกทุกข์ได้ยากไม่เดือดร้อนเราก็ ซื้อของไปฝากกันอันนี้ถ้าเารับได้ของฝากเขายิ้ ม, มดีใจไมอันนี้ก็คือเมตตาบารมีเป็นพื้นฐานของบารมีทั้งหมดบารมีนี้ก็เป็นเหมือนขั้นบันไดที่เราจะต้องไต่เต้าขึ้นไปทีละขั้นขั้นแรกนี้ต้องสร้างเมตตาบารมีขึ้นมา พอเราสร้างเมตตาบรารมีได้เราก็จะสร้างทานบรารมีได้เพราะเราจะมีความปรารถนาดีต่อสัตว์ประสาททั้งหลายอยากให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขในเมื่อเรามีความสามารถที่จะให้คนอื่นก็มีความสุขได้เช่นเรามีข้าวของเงินทองเหลือกินเหลือใช้เก็บไว้เฉยๆก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรตายไปก็เอาไปไม่ได้ กลายเป็นของคนอื่นไปถ้าเราเอามาทำทานมันก็จะเป็นทานบารมีติดตัวไปทานบารมีก็มีมีอนิสงส์ทำให้ไปเกิดในสวรรค์ทำให้เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองรอเราอยู่ยพระเวชสันดร อวิทสันดอนนี่ก็บำเพ็ญทานบารมีอย่างโชคโช่วะมีช้างม้าวัวควายมีอะไรใครต้องการใครมาขอก็ให้ไปบริจาคไปพอตายไปก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์แล้วพอกลับมาจากสวรรค์ก็มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมีภาษาสามเรือเป็นพระราชกุมาน แล้วก็พอถึงเวลาจะสะละราชสมบัติก็สะละได้อย่างง่ายดายไม่หวงทําทางคนที่ทําทานเราจะไม่หวงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเมื่อเห็นว่าถึงเวลาจะต้องสะละก็สะละได้มีใครบ้างสมัยนี้ที่เป็นพระราชกุมารแล้วมีสะละราชสมบัตินะมไม่มีหรอกมีแต่รอจะขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่มีใครคิดที่จะไปออกบวชกันนะ คนที่ไม่ได้สร้างทานบา ร, รมีมาไม่ได้สร้างเมตตาบา ร, รมีมานี่จะไม่มีกําลังที่จะสละราชจสมบัติสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆได้ไปนิพพานไม่ได้ติดอยู่กับสมบัติติดอยู่กับความสุขของของสมบัติที่ได้ความสุขที่ได้จากสมบัติสมบัตินี่จึงกลายเป็นเหมือนกับสมอเรือ เรือนี่ถ้าจะให้มันวิ่งไปไหนมาไหนได้ต้องถอนสมองเรือถ้าไม่ถอนสมองเรือเรือมันก็จอดอยู่นั่นไปไม่ได้ถ้าจะไปนิพพานก็ต้องถอนสมองเรือต้องสละราชสมบัติพระพุทธเจ้าถ้าไม่สละลาชสมบัติก็ไปไม่ถึงนิพพานก็จะเป็นพระมหาจากาักรพรรดิแทนมีโหรเขาทํานายไว้ตอนที่ประสูติมาใหม่ พระราชนิพาก็อยากจะรู้ว่านาคตของพระราโชรสก็ให้โหนโหราจารมาช่วยทํานายอนาคตโหนทั้งหลายก็ทำเอาได้เป็นพระบรมศาสดาแตมีโหราจารอยู่รูปหนึ่งท่านแทงทองท่านฟันทองไปว่าต้องบวชอย่างเดียวจะต้องไปเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวพเพว่าจะเป็นอัญยานกนทัญญา เป็นคนที่จะไปเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าต่อไปเป็นคนที่เป็นพระสองฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมครั้งแรกแบรรู้เป็นโสดาบันขึ้นมาตอนนี้ทำนายแม่นที่สุดทานายว่าต้องเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียว มูลราจานุบ่นก็บอกเป็นไปได้สองทางถ้าไม่เป็นพระหาจากักรพรรดิก็เป็นพระพุทธเจ้าเพราะเป็นคนที่มีบารมีสูงอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องของเมตตาของพระพุทธเจ้าเรื่องของทานบารมีของพระพุทธเจ้าพอมีทานก็เลยทำให้รักษาศีลได้ศีลห้า เพราะว่าคนที่มีเมตตาคนที่ทําทานจะไม่ชอบเบียดเบียนพูดจะไม่ชอบฆ่าสัตว์จะไม่ชอบรักทรัพย์ไม่ชอบประพฤติผิดประเวณีไม่พูดโดไม่ดื่มสุรายาเมาก็จะสร้างบา ร, รมีข้อที่สามได้ก็คือศีลบา ร, รมีแล้วพอสร้างศีลบา ร, รมีได้ก็จะสามารถ สร้างข้อที่สี่คือเนธคัมมะบาลมีเนธคัมมะบา ร, ม, ม, ม, บารมีก็การถือศีลแปดนี่จากศีลห้าก็เพิ่มเป็นศีลแปดเนธคัมมะแปลว่าการออกจากการหาความสุขทางกายอารมณ์การหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ร่วมหลับนอนกันไม่รับประทานอาหารเพื่อให้เกิดความสุขรับประทานอาหารพอ ยับยั้งความหิวอของร่างกายรับประทานวันละครั้งหรือสองครั้งก็พอแต่ไม่เกินเที่ยงวันไปแล้วแล้วก็มาระ ง, ง, งับการหาความสุขจากการดูมอลหระศพบันเทิงต่างๆไปงานเลี้ยงไปงานแต่งงานไปงานสังสรรค์ไปที่ท่องเที่ยวยามราตรีหรือเที่องเที่ยว ตอนกลางวันก็ยุติกิจกรรมเหล่านี้ไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากเสริมสวยเสริมความงามเสียเวลาผู้ที่จะไปนิพพานนี้จะต้องมีเวลามาปฏิบัติถ้าไม่ถือศีลแปก็จะไม่มีเวลาเพราะจะไม่มีข้อห้ามถ้าถือศีลถือเพียงศีลห้าเดี๋ยตอนเย็นก็กินข้าวได้กินเลี้ยงได้ เดือบซึ่งเดือชราไม่ได้แต่ก็กินเลี้ยงสังสรรค์กันได้ไปดูภาพยนตร์ไปเที่ยวตามบาตามบาเขาไปไม่ได้ <g ül> ไปตามแหล่งบันเทิงต่างๆก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติสร้างบารมีขั้นขั้นต่อไปเพราะบารมีขั้นต่อไปก็คืออุเบกขาบารมีอุเบกขาบารมีก็คือการสร้าง ความนิ่งเฉยให้กับใจอุเบกขาแปลว่านิ่งเฉยไม่มีความรักความชางังความกลัวความหลงจะจะนิ่งเฉยได้ต้องนั่งสมาธิต้องเจริญสติต้องมีสติคอยควบคุมบังคับใจพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้คิดคิดแล้วจะเกิดความอยากขึ้นมาคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสก็อยากจะเสดรูปเสียงกลิก่ลนระส คิดถึงคนนั้นคนนี้ก็อยากจะไปหาเขาอยากจะไปอยู่ใกล้เขาคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็อยากจะได้มาก็ทำให้ใจต้องไปหาสิ่งต่างๆมาเพื่อเพื่อเสริมเพื่อตอบแทนความอยากเพื่อจะได้มีความสุขแต่เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขเดียวเวลาได้มาก็ดีใจ ไปเที่ยวมาก็มีความสุขพอกลับมาบ้านความสุขนั้นก็หายไปแล้วก็เกิดความอยากเที่ยวขึ้นมาอีกเที่ยวเท่าไหร่ก็เหมือนกันเที่ยวเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอก็จะอยากเที่ยวไปเรื่อยๆดูภาพยนตร์ฟังเพลงถ้ามากน้อยเพียงไลก็ไม่อิ่มไม่พอแล้วถ้าไม่สามารถที่จะดูได้ฟังได้หรือเที่ยวได้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ไม่เป็นความสุขที่เป็นความทุกข์อย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้มาหาความสุขจากการทำใจให้สงบเป็นอุเบกขาใจที่มีอุเบกขาแล้วใจจะเย็นจะสบายจะไม่หิวไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเสพลูกเสียงกินรสอันนี้ก็เรียกว่าอุเบกขาบารมี แล้วถ้าเราอยากจะรักษาอุเบกขานี้ให้อยู่ต่อไปหลังจากที่ออกจากสมาธิเราก็ต้องใช้ปัญญาเจริญปัญญาปัญญาจะสอนให้เราว่าอย่าไปอยากได้อะไรเลยเพราะสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันเป็นทุกข์ทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ถาวรมันไม่แน่นอนทุกขกับะเช่นทุกข์กับ สุขกับแฟนนี่มันไม่ใช่สุขที่ถาวรแน่นอนถ้าเกิดแฟนไม่อยู่แฟนหายไปความสุขที่ได้จากแฟนก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้ามีปัญญาปัญญาก็จะสอนใจให้หยุดความอยากต่างๆอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นเพราะความอยากจะทำให้ใจทุกข์และจะทำให้ใจต้องลิ้นนล จะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปถ้าใจยังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสยังอยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ต้องมามีร่างกายเพราะถ้าไม่มีร่างกายก็จะไม่สามารถมาเสบรูปเสียงกลิ่นรสได้มามีสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ อะไรต้องกลับมาเกิดถ้ายังมีความอยากทั้งสามประการนี้อยู่ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดไม่อยากจะกลับมาแก่มาเจ็บมาตายไม่อยากจะมาทุกข์กับการแสวงหากับการผิดหวังกับการสูญเสียก็อย่าไปอยากได้อะไรดีกว่าให้อยู่กับอุเบกขาอยู่กับความสงบดีกว่าอยู่เฉยๆอยู่เฉยจะมีความสุขกว่า พอมีปัญญาฝืนความอยากละความอยากได้ใจก็จะสงบโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิใจก็สงบตลอดเวลาสิ่งที่ทำให้ใจไม่สงบที่ทำให้ใจวุ่นวายก็คือความอยากนี่เองพออยากได้อะไรแล้วอยู่เฉยๆได้นะอยู่ไม่ได้กวนกวายกระสับกระสายหงุดหยิดพอได้มาก็หายไปชั่วคราว แ้วเดี๋ยวความอยากใหม่ก็กลับขึ้นมาใหม่เนี่ยคนที่อยากสูบบุหรี่เวลาไม่ได้สูบบุหรี่ี่มือไม้จะสั่นจะหดหิดจะราคาญใจพอได้สูบแล้วเบาความหมุดหดความอะไรหายไปชั่วคราวเดี๋ยวความอยากใหม่เกิดขึ้นมาก็ความหมดหดใหม่ก็ตามมาแต่ถ้าเราฝืนไม่ไม่ไม่สูบมันเวลาอยากก็ยอมอดทนยอมให้มัน มือไม้สั่นหมดหงิดไปชั่วคราวเดี๋ยวพอแรงของความอยากมันหมดความหงุดหงิดก็หายไปแล้วความอยากก็ไม่กลับมาใหม่เพราะว่ามันหมดกำลังเพราะเราไม่ได้ไปส่งเสริมมันถ้าเราไปทำตามความอยากนี่เราจะส่งเสริมให้มันมีกำลังกลับมาอยากใหม่แต่ถ้ามันอยากแล้วเราไม่ส่งเสริมเราละเราฝืนตามอยากมันก็จะ หมดกำลังไปแล้วต่อไปก็เลิกสูดบริได้เพราะมันไม่มีความอยากที่จะสูดความอยากต่างๆถ้าเราฝืนมันสู้กับมันด้วยด้วยอุเบกขาบารมีด้วยปัญญาบารมีเราก็จะสามารถสู้กับมันได้ถ้าเราไม่มีอุเบกขาบารมีเราจะไม่มีกำลังพออยากแล้วมันใจมันสัน่น ต้องไปทําตามความอยากมันถึงจะหายสัน่นแต่ถ้าเรามีอยู่เบคะบาลามีมันจะไม่สัน่นหรือถ้ามันสั่นก็ไม่สั่นน้อยแล้วเราสามารถใช้สอบสร้างอุบงอบเบกขาบารามีขึ้นมาให้มันหายสั่นได้แทนที่จะไปทําตามความอยากเพื่อให้มันหายสัน่นสู้มาทําใจให้สงบให้มันหายสัน่นดีกว่าใช้พุโทโธพุโทโธไป ใช้ปัญญาสอนใจว่าต้องเอาชนะมันให้ได้ถ้าแพ้มันก็ต้องแพ้มันไปเรื่อยๆถ้าชนะมันแล้วก็จะชนะมันไปเรื่อยๆใจก็จะมีกําลังสู้กับความอยากฝืน ค, ความอยากได้เอาไปความอยากก็หมดไปไม่มีอะไรเหลืออยู่เอาความอยากหมดก็ถึงพระนิพพานถึงบ้านใจที่ปราศจากความอยากใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี่เรียกว่านิพพาน นิพพานไม่ได้เป็นสถานที่ใจนี่แหละเป็นผู้ที่สร้างบ้านสร้างภพชาติต่างๆใจเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาใจเป็นพรหมใจเป็นเปรตใจเป็นเล ร, ระฉานใจเป็นผู้สร้างด้วยบุญด้วยบาปที่ตนเองทำทำบุญก็สร้างเทวดานั่งสมาธิก็สร้างพรหมละความอยากได้ก็สร้างนิพพานขึ้นมา เป็นจิตใจเป็นสภาพจิตใจนิพพานสวรรค์ชั้นต่างๆนี้ไม่ไม่ไม่ไม่ใช่สถานที่แต่จิตใจของแต่ละดวงที่ที่เป็นไปตามอำนาจของบุญที่ตนเองทำไว้หรือตามอำนาจของบาปถ้าทำบาปก็เป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนรกไปถ้าทาบุญก็เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็น ผมเป็นพระอริยเจ้าไปนี่คือน้ํามันที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาเติมกันเติมกันอยู่เรื่อยๆขั้นตอนนี้ต้องฝึกต้องมีความเมตตาต้องมองทุกคนว่าเป็นเหมือนกับเป็นคู่รักของเราถ้าเราเห็นว่าเป็นคู่รักเราก็จะรักเขาเราก็จะไม่โกรธเขาให้อภัยเขา เราก็อยากจะให้เขามีความสุขแต่ถ้าจะมองว่าเป็นศัตรูกันมันก็จะแผ่เมตตาไม่ออกง <c oughs> ั้นอย่าไปมองว่าเป็นศัตรูกันมองว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน <c oughs> แล้วเราก็จ ะ, ะคพรรับต้องแผ่ต่อหน้าเจ้ากรรมนายเวรคู่กรรมคู่เวรเนาะ เวลาใครเข้ามาจองเวรจองกรรมเราตอนนั้นแหละเราต้องแพ่เราจะไม่จองเวรจองกรรมกับเขาแล้วเราจะทําบา ร, รมีอย่างอื่นได้เราจะสร้างทานบา ร, รมีได้สร้างศีลบา ร, รมีได้สร้างเมคขมบา ร, รมีสร้างอุเบกขาบา ร, รมีสร้างปัญญาบา ร, รมีได้ถ้าเรามีบา ร, รมีเหล่านี้ลดคือใจของเราก็จะไปถึงพระนิพพานได้ พระพุทธเจ้าไปนิพพานด้วยบรารมีเหล่านี้พระสงฆ์สาวกก็ไปนิพพานด้วยบรารมีเหล่านี้ถ้าเราไม่มีเราก็สร้างได้เพราะไม่มีไม่มีใครสมวนณิคสิทธิ์บรารมีเหล่านี้ไม่ไม่สมวนณิคสิทธิ์ไม่เสียเงินซื้อไม่ต้องซื้อเพราะว่าความดีนี้ซื้อไม่ได้บรารมีนี้ซื้อไม่ได้ต้องสร้างขึ้นมา สร้างด้วยการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจล้วต้องรู้วิธีสร้างถึงจะสร้างได้เหมือนกับการสร้างบ้านถ้าไม่รู้จักวิธีสร้างบ้านก็ไม่รู้จะสร้างอะไรก่อนสร้างอะไรหลังถ้า ร, ารู้จักวิธีมันก็จะเป็นขั้นเป็นตอนไปขั้นแรกก็สร้างเมตตาบารมีก่อนพอมีเมตตาแล้วก็จะทำทานสร้างทานบารมีได้ พอสร้างสร้างทานบารมีก็จะสร้างศีลบารมีได้พอสร้างศีลบารมีได้ก็สร้างเนื้อขมมะบารมีได้พอมมีเนื้อขมมะบารมีก็จะมีเวลามาจเจริญอุเบกขาบารมีจเจริญสติควบคุมความคิดนั่งสมาธิทําใจให้สงบใจสงบใจก็จะเป็นอุเบกขาขึ้นมาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงจะเฉยๆกับสิ่งต่างๆ ไม่ว่าอะไรใครจะพูดใครจะทาอะไรจะชมก็ไม่ดีใจใครด่าก็ไม่เสียใจเฉยๆไม่เดือดร้อนออแต่ถ้าออกจากสมาธิมาอุเบขาบาลเมก็จะจางค่อยๆจางไปถ้าไม่อยากให้จางไปก็ต้องใช้ปัญญาเวลาใครพูดอะไรก็ใช้ปัญญาว่าห้ามเขาไม่ได้เข า, าเป็นอนัตตา เราไปอยากให้เขาทำตามที่เราอยากไม่ได้เราอยากให้เขาพูดดีกับเราไม่ได้ถ้าเ็าจะพูดไม่ดีเราก็ห้ามเขาไม่ได้ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะเฉยได้นี่คือเรื่องของบารมีที่เป็นเหมือนน้ามันที่จะทำให้จิตใจของเรานี่ได้ก้าวไปสู่บ้านที่แท้จริงของเรา บ้านที่ไม่มีวันเสือ่อมตอนนี้เรายัางได้บ้านชั่วคราวอยู่ชาตินี้เราได้บ้านของมนุษย์เดี๋ยวอีกไม่กี่ปีก็ต้องหมดสภาพไปแล้วเราก็จะไปได้บ้านใหม่ตามบุญตามบาปที่เราทำไว้ถ้าเราทำยังไม่ถึงพระนิพพานบ้านที่เราได้ก็ยังจะเป็นบ้านชั่วคราวอยู่เช่นถ้าเราทำบุญทำทานรักษาศีลเราก็จะได้เป็น ได้บ้านของเทวดาเป็นเทวดาชั้นต่างๆแต่เราถ้าเราถืออุเบกขาสร้างอุเบกขาได้ถือเนข่ขมมะได้เราก็จะได้บ้านของสวรรค์ของพรหมแต่ยังยังต้องเสื่อมกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อยู่ถ้าทําบาปเราก็จะไปได้บ้านของเดลฉานได้บ้านของเปรตได้บ้านของนรกแต่ถ้าเราไม่ทําบานะ เราก็ไม่ต้องไปไปอบายแต่เราก็ยังต้องวนไปเวียนมาอย่างนี้ไปจนกว่าเราจะได้ขั้นปัญญาขั้นปัญญาที่ใจทำให้ใจของเรานี้เป็นอุเบกขาตลอดเวลาไม่ตอบโต้ไม่อะไรกับใครทั้งนั้นให้รู้เฉยๆใครด่าก็รู้เฉยๆใครชมก็รู้เฉยๆใครเอาเงินทองเราไปก็ให้รู้เฉยๆว่าข้าว เ, เงินทองเราไปแล้ว ใครให้เอาเงินใครเอาเงินทองมาให้ก็ให้รู้เฉยๆว่าเขาเอาเงินทองมาให้แล้วไม่ให้ดีใจไม่ให้เสียใจคนที่มีปัญญาจะเฉยๆก็รู้ว่าได้มาก็ต้องเสียไปเสียไปก็ดีเพราะเงินเดี๋ยวมันก็ต้องเสียอยู่ดีไายไปก็เอาไปไม่ได้คนมีปัญญาจึงไม่เดือดร้อนกับการได้กับการเสียกับการเกิดกับการดับก็รู้ว่าเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดา ใจก็จะนิ่งเฉยไม่เดือดร้อนใจก็จะเป็นเหมือนกับใบบัวกับน้ําหยดน้ําบนใบบัวน้ําจะมาหยดบนใบบัวกี่กี่หยดมันก็จะไม่ซึมเข้าไปในใบบัวใจของผู้ที่มีอุเบกขามีปัญญาก็จะไม่ซึมซับกับเรื่องราบยศสารเสริญเรื่องความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือความทุกข์ทางตาหูจมูกลิ้นกายนะ ลาบยุสารเสริญสุขจะเจริญเนื้อจะเสื่อมก็เฉยเฉยไม่เดือดร้อนพะใจไม่ต้องพึ่งสิ่งเหล่านี้ใจมีความสงบเป็นที่พึ่งใจมีความบริสุทธิ์ความไม่มีความอยากเป็นที่พึ่งอันนี้แหละเป็นใจที่สามารถเป็นได้ด้วยกันทุกคนใจของพวกเราแม้แต่ใจของเดราฉาน ถ้าเขาอยู่ในสภาพที่เขาจะพัฒนาได้เขาก็พัฒนาได้ผู้ที่จะพัฒนาจิตใจได้ก็มีมีพบมีพวกมนุษย์นี้เท่านั้นนะที่จะสามารถพัฒนาได้อย่างอย่างเต็มที่และอย่างง่ายดายกว่าพบอื่นเป็นเทวดาก็ยังพัฒนาได้อยู่แต่ต้องมีพระพุทธเจ้ามีพระอาหารไปสั่งไปสอน เป็นมนุษย์ก็ต้องมีพระพุทธเจ้าสั่งสอนหรือมีพระอริยสงฆ์สั่งสอนแต่มนุษย์นี้จะสะดวกจะสามารถบาเพ็ญตามคำสอนได้ง่ายกว่าภพของมนุษย์นี้เป็นภพที่เรามาเติมบุญกันเริมน้ำมันกันหรือ ม, มาเติมบาปกันแล้วแต่ว่าจะฉลาดหรือจะง้อถ้าฉลาดก็จะเติมบุญถ้า ง, ง่าก็จะเติมบาป ถ้าได้มาเจอกับคนฉลาดก็จะได้เติมน้ำมันชนิดที่พาให้ไปถึงพระนิพพานไปแบบไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปดังนั้นขอให้พวกเราพยายามเพียรสร้างบา ร, รมีเหล่านี้กันพยายามมีความเมตตาต่อกันทำบุญให้ทานแบ่งปันกันช่วยเหลือกัน ไม่เบียดเบียนกันไม่ฆ่าไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดตวเวณีไม่โกหกหลอกลวงแล้วก็วันพระก็ไปอยู่วัดถือสิงห์แปดกันไปหยุดการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกาย <c oughs> เพื่อที่จะได้มีเวลามาฝึกสมาธิมาทำใจให้สงบแล้วก็มาเจริญปัญญาสอนใจให้ปล่อยวางทุกอย่างในโลกนี้พ่อเราไป ควบคุมบังคับเขาไม่ได้เขาจะเจริญเนื้อจะเสือ่อมมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยของเขาเหมือนกับฝนฟ้าอากาศเราไปควบคุมฝนฟ้าอากาศไม่ได้ไปสั่งให้ฝนตกไปสั่งให้ฝนหยุดไม่ได้ฝนเขาจะตกเขาก็ตกเขาจะหยุดเขาก็หยุดแต่เราสามารถอยู่กับฝนฟ้าอากาศได้โดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรกับเขา เราสามารถอยู่กับการเจริญกับการเสื่อมของราบยศสารเสริญสุขได้ถ้าเรามีอุเบกขาถ้าเรามีปัญญาแต่ถ้าเราไม่มีอุเบกขาเราก็จะวุ่นวายกับการเจริญกับการเสื่อมของราบยศสารเสิญสุขเวลาราบยศสารเสิญสุขเจริญก็ดีใจกันเวลาเสื่อมก็เสียใจกันร้องหหยร้องไห้กันเพราะเราไม่มีอุเบกขาเราไม่มีความสุขในตัวเรา เราเลยต้องไปพึ่งความสุขข้างนอกตัวเราถ้าเรามีอุเบกขาเราจะมีความสุขในตัวเราเราก็จะไม่ต้องพึ่งราบยศรเสิร์นสุขเมื่อเราไม่ต้องพึ่งเขาจ ะ, จะเจริญหรือเขาจะเสื่อมมันก็ไม่เป็นปัญหากับเราอันนี้คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการมาสร้างบา ร, รมีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราสร้างกันสร้างเพื่อให้เราได้ดับความทุกข์ต่าง สร้างพืให้พวกเราได้มีแต่ความสุขมีแต่ความสุขตลอดเวลาและเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีวันหมดถึงแม้ร่างกายจะตายไปความสุขที่อยู่ในใจก็ยังอยู่เหมือนเดิมร่างกายกับใจนี้เป็นเหมือนภาชนะสองอันภาชนะร่างกายแตกไปก็ความสุขทางร่างกายก็หมดไปแต่ภาชนะคือใจที่ ลองรับความสุขทางใจมันไม่หมดมันไม่แตกไปกับการแตกดับของร่างกายภาชนะใจก็ยังมีความสุขต่อดัองนั้นก็ขอให้พวกเรามีความเชื่อมั่นในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าเป็นความจริงเชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นผู้ได้ปฏิบัติมาแล้วได้บรรลุ ถ, ถึงผล เหล่านี้แล้วจึงเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราถ้าพวกเราเชื่อแล้วเราปฏิบัติตามเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันอย่างแน่น อ, น, อนการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรอนยะถ า, าวารรวหาปุราปริกุเรนติสะครลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานัอุปการปติอิชิตังปฏิตางตุมหังคิดว่าเมวะสมิจฉตุสาเพปุริยตุสังกะปาจันโตปัน a าอาราโสยธามณิโชติอาราโสยะธาสัพพิติยวิวัจจันโตสัพพารโขวินสสตุ มาเตผวตวันตรายุสุขีทีขาโยโกผวะอะิวาธนสีริศานิจจังวุฒาปะจายโนจตารุธรมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัง เมื่อกี้ลืมบอกไปว่าการจะสร้างบารมีเหล่านี้น่ายก็ต้องมีหนึ่งความตั้งใจถ้าเราไม่ตั้งใจเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรถ้าเราตั้งใจว่าต่อไปนี้เราจะสร้างบารมีคือต้องมีการตั้งเป้าหมายการตั้งเป้าหมายเรียกว่าอธิษฐานไม่ได้แปลว่าขอแปลว่าตั้งตั้งเป้าหมายของชีวิตว่า ชีวิตของเรานี่เราเกิดมาเพื่อทำอะไรเกิดมาเพื่อมาสร้างบารมีพอเราตั้งเป้าหมายว่าจะสร้างบารมีเราก็จะเราก็จะได้สร้างกันเหมือนถ้าเราอยากจะสร้างบ้านถ้าเราไม่คิดจะสร้างบ้านมันก็ไม่ได้สร้างบ้านทันทีถ้าคิดว่าต้องสร้างบ้านนะเดี๋ยวเราก็ต้องเริ่มสร้างถ้าคิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องสร้างถ้าไม่คิดจะสร้างบ้านมันก็ไม่มีวันจะสร้างบ้านได้ มันพอมันคิดว่าจะสร้างบ้านคิดว่าจะทําบุญมันก็มาทําบุญถ้าไม่คิดมันก็ไม่มามันก็จะไปทําอย่างอื่นแทนเนี่ยเราต้องมีอธิษฐานมีความตั้งใจที่จะสร้างบารมีต่างๆพอตั้งใจแล้วก็ต้องมีความแนว่วแนมีความจริงใจต่อความตั้งใจไม่ให้ตั้งใจตั้งเฉยๆพอถึงเวลาก็ไม่ทำสักที พอถึงเวลาจะไปทําบุญก็ไม่ไปทํำสิตั้งใจจะไปทําบุญหลายครั้งแล้วแต่ตั้งใจแล้วก็ไม่ไปตั้งใจแล้วก็ต้องไปตามที่ตั้งใจไว้เรียกว่าสัจจะมีสัจจะต่อความตั้งใจสัจจะอธิษฐานเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกจะนั่งอยู่ตรงโคนไม้ต้นนี้จนกว่าจะตัดสัโลถ้าไม่ตัดสะโลก็จะไม่รู้จักที่นั่งนี้ไปอันนี้ นี่คือความตั้งใจของพระพุทธเจ้าตั้งใจที่จะตัดสัรุ้แล้วก็ถ้าไม่ตัดสัรุ้ก็จะไม่ลุกถึงแม้วเลือดในร่างกายนี้จะเหือดแห้งไปก็ไม่ยอมลุกจะลุกก็ตามเมื่อได้ตัดสัรู้แล้วอันนี้เรียกสัจจะสัจจะอธิษฐานความตั้งใจและความแน่วหน้าความจริงใจแล้วเมื่อ เมื่อได้มีความตั้งใจมีสัจจะแล้วก็ต้องมีความขยนันจะสร้างบ้านก็ต้องสร้างแล้วต้องขยนันถ้าขี้เกียจก็สร้างไม่ได้พอถึงเวลาจะสร้างก็ออขี้เกียจแล้วนอนดีกว่าเน่ยก็ไม่ได้ถึงเวลาจะทำบา ร, รมิทานบา ร, รมีก็ขี้เกียจแล้วไม่ไม่ไปล้วตั้งใจอยู่ตั้งใจจะไปแต่พอถึงเวลาจะให้ทําจริงๆไม่ไปขี้เกียจ ถ, ถ้ามีความเกียจค้านก็สร้างบา ร, รมีต่างๆไม่นะาต้องมีความขยนันนอกจากแล้วนอกจากนั้นยังต้องมีความอดทนด้วยเพราะการสร้างบา ร, รมีนี่มันมันเหมือนกับการเดินขึ้นเขามันไม่เหมือนกับการทาบาสนี่มันเหมือนกับการเดินลงเขาการทำบาสนี่มันง่ายใช่ไหชวนไปเที่ยวนี้ไปเลยระวังศส้นแปกับไม่ถือเส้นแปะนี่อันไหนจะง่ายกว่ากัน ถือศีลแปดก็ไม่ถือศีแแลแปดจง่ายกว่ากันนถือศีลแปดนี่มันยากถ้าไม่อดทนมันก็ทําไม่ได้อดข้าวเย็นนี่ก็ต้องอดทนละ อ, อดนอดนกับแซนก็ต้องอดทนละอดกั้นนะถ้าไม่มีขันติก็เดี๋ยวก็ตบะแตกเนียคนที่จะสร้างบา ร, รมีต่างๆได้จำเป็นจะต้องมีอธิษฐานมีสัจจะมีวิริยะมีขันติ อันนี้เป็นบารมีสนับสนุนเป็นบารมีที่จะต้องมีเป็นเหมือนกับพลังของจิตจิตจะมีพลังถ้ามีอธิษฐานมีสัจจะมีวิริยะมีขันติถ้ามีสีตัวนี้เราจะทาอะไรทำได้หมดจะทาทานก็ทาได้จะแผ่เมตตาก็แผ่ได้จะรักษาศีลก็รักษาได้รักษาศีลแต่จะไปบวชก็บวชได้ ต่นั่งสมาธิทำใจให้สงบก็นั่งได้จะใช้ปัญญาหยุดความอยากต่างๆก็ใช้ได้ต้องมีต้องมีพลังต้องพระาศาสตสร้างพลังหัดทำอะไรหัดทอย่าทาอะไรให้ทำแบบจริงจังตั้งใจจะทำอะไรแล้วก็อย่าล้มถ้าไม่รู้จะทำอะไรก็ตั่งเป้าไว้พรุ่งนี้ไม่รู้จะทำอะไรก็ต้องคิดแล้ว ต้องทำอะไรที่มันดีเป็นประโยชน์ทำบุญดีหมนั่งสมาธิดีไหมไปปฏิบัติธรรมสามวันดีไหมถ้าไม่ตั้งเป้าหมายมันก็ไม่ได้ไปเดี๋ยวเพื่อนโทรมาชวนไปเที่ยวก็ไปแล้วแต่ถ้าเราตั้งเป้าหมายเวลาเพื่อนมาชวนว่าวันนี้ไปไม่ได้แล้วล่ะเพราะวันนี้ตั้งใจจะไปปฏิบัติธรรมก็ปฏิเสธเข้าไปได้ ถ้าไม่ตั้งเป้าหมายก็เหมือนกับเรือไม่มีหางเสือเรือไม่มีหางเสือมันก็ไปตามกระแสน้ำกระแสลมลมพัดไปทางไหนมันก็ไปทางนั้นน้ำพัดไปทางไหนมันก็ไปทางนั้นแต่ถ้าเรามีหางเสือเราก็จะคัดเป็นได้คัดํา้มินไปในทิศทางที่เราต้องการจะไปได้เราต้องการไปนิพพานเราก็ต้องมาสร้างบารมีกันเราต้องการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องมาสร้างเมตตาบารมีสร้าง ทานบามีศีลบาลมีเนคัมบาลมีอุเบกขาบาลมีปัญญาบาลมีบาลมีปัญญามีบาลบามีเหล่านี้แล้วเรืองก็เหมือนกับมีหางเสือแล้วก็มีเครื่องมีอธิษฐานมีมีสัจจะมีวิริยะมีขันติก็เป็นเหมือนกับเป็นเครื่องถ้ามีเครื่องแล้วก็ไม่ต้องอาศัยลมไม่ต้องอาศัยกระแสน้ำแล้วแล้วก็มีหางเสือคอยล บังคับเรือให้ไปในทิศทางที่เราต้องการจะไปเราก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างสมัยนี้เราขับรถก็ต้องมีพวงมาลัยต้องมีคันเร่งใช่ไหมถ้ามีพวงมาลัยไม่มีคันเร่งขับรถมาก็มาไม่ถึงที่นี่มันเหยียบเหยียบเร่งให้รถวิ่งไม่ได้สั่งให้รถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ได้มันก็ไปไหนไม่ได้เงนั้นต้องมีมีพวงมาลัย คือการอธิษฐานนี้เป็นเหมือนมีพวังอะไรอธิษฐานว่าจะให้ไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยตรงไปแล้วก็มีคันเร่งคือมีวิริยะความภาคเพียรมีขันติความอดทนมันก็จะพาให้นกคือจิตใจของเราไปตามทิศทางที่เราต้องการให้มันไปได้ถ้าเราบอกให้มันไปทําทานมันก็ไปทําทานบอกให้ไปรักษาศีลมันก็จะไปรักษาศีลบอกให้ไปบวชมันก็ไปบวช แต่พวกเรามีทิศทางไปคนละทางหนึ่งโยมไปทางหนึง่งพระไปทางก็ <c oughs> ตั้งเป้าไว้ไม่เหมือนกันโยมยังตั้งเป้าอยู่ที่การหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกมนิ้วกายอยู่ส่วนพระก็ตั้งเป้าไปสู่ที่การหลุดพ้นไปสู่ความสุขของพระนิพพานเอก็เลยไปคนละทางกันอืแต่ก็มาพบกันเพราะว่า ทางโยมก็เริ่มสนใจที่จะไปทางพระนิพพานแต่ไม่รู้ว่าไปอย่างไรก็เลยต้องมาหาคนที่เคยไปมาแล้วช่วยบอกทางให้หน่อยออคนที่ไปบอกทางเราบอกเราเดินไปตามทางที่คนเขาบอกเดี๋ยวเราก็ไปถึงเองเดินตามทางที่พระเจ้าบอกพระเจ้าบอกให้มาสร้างบารมีเหล่านี้แล้วก็จะไปถึงนิพพานอย่างแน่นอน นี่มีใครอยากจะถามอะไรไหมเพราะเวสจอนเนี่ยตอนตอนที่ให้ทานเนี่ยเป็นการบังเอิญหรือว่าถ้ามีต้องต้องให้ต้องการให้จริงๆไม่บังเอิญหรอกถ้ามันบังเอิญมันจะให้ได้ไงเอออเยากจะให้เห็นว่าการมีข้าวของเงินทองมากเกินความจําเป็นก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรเห็นประโยชน์จากการทําบุญให้ทานว่าทําให้จิตใจมีความสุข ตอนนั้นท่านอาจจะไม่รู้เรื่องเวินวลายตายเกิดเรื่องสวรรค์นรกอะไรก็แลแต่ท่านทำด้วยความรู้สึกภายในใจเวลาทำบุญแล้วใจมันมีความสุขกว่าเวลาที่ไปหาเงินหาทองความสุขที่ได้จากการเงินหาเงินหาทองกับความสุขที่จากการเสียเงินเสียทองไปนี้มันต่างกันความสุขที่ได้จากการหาเงินหาทองสุขเดียวเดียวสุขแล้วเดี๋ยวหิวก็อยากจะอยากจะหาเพิ่อมอีกล แต่ความสุขที่เกิดจากการให้ทานนี่มันอิ่มมันเบามันสบายก็เลยอยากจะให้มากกว่าอยากจะได้แล้วมันก็จะนำไปสู่การรักษาศีลต่ออะไรต่อไปจิตมันจะพัฒนาไปเองมันจะค้นมันจะค้นหาความสุขของมันไปเองมันก็จะเจอความสุขที่ดีขึ้นไปตามลำดับความสุขที่ได้จากการมีความเมตตาก็ทำให้เราไปสู่ความสุขจากการให้ทาน การสุขจากการให้ทานก็จะพาเราไปสู่ความสุขที่จากการรักษาศีลความสุขจากการรักษาศีลหน้าก็จะพาเราไปสู่การความสุขจากการรักษาศีลแปความสุขที่เราได้จากการรักษาศีลแปก็จะนำไปสู่ความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบเป็นอุเบกขามันจะพาพัฒนาไปเรื่อยๆตามขั้นตอนของมันความสุขใจมันก็เหมือนกับความสุขทางร่างกาย ความสุขทางร่างกายก็มีขั้นแรกก็ขอให้ร่างกายอยู่ดีกินดีไม่อดอยากขาดแคลนพออยู่ดีกินดีแล้วขั้นต่อไปก็อยากจะล่ำอยากจะรวยพอรวยแล้วก็อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตพอเป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็อยากจะเป็นไปเรื่อยๆไ ป, ไปจนถึงวันตายพอตายก็อยากจะไปสวรรค์นี่ก็เป็นการพัฒนาทางด้านทางทางโลก แต่ทางทำล้วก็จะไปทางจิตใจมันก็มีการพัฒนาของมันไปวันนี้ทางเฟซเข้ามาเท่าไหร่วันนี้สัญญาณมีปัญหาค่ะมีแค่215ค่ะ215ทาง u t u b e 81ค่ะ YouTube ไม่มีปัญหาไม่มีทำไมทางนี้ปัญหาของกับที่เราเนียว่าเกิดที่เครื่องรับเครื่องส่งสัญญาณเอา ไ, ไฟนะไไฟ้าเอาไฟฟ้ามันหลุดอะ ต้องต่อมาไหม่ต่อมาค่ะแต่จะมีภาพมันหมุนหมุนหมนอะไรอย่างเงี้ยอืมมีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าไม่ถามเดี๋ยวจะให้คนทางบ้านก็ถามนะมีไหมอ่าถามเลยค่ถามจากคุณจิตประัฒสอนค่ะการละกิเลสออกจากใจนั้นถ้าเราเพียรภาวนาเพียรไปเรื่อยเรื่อยนานวันไปเราจะสามารถสําเร็จนับหัมิ ขอโทษนะคะเราจะสามารถสำเร็จมรรคผลนิพพานได้ไหมคะหรือว่าเราต้องมียานวิเศษเท่านั้นถึงจะละและถอนที่เละได้คะ่ะคือยานก็คือการเห็นตายรักนี่เองเห็นว่าทุกอย่างที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์ตอนนี้เรายังไปเห็นว่ามันเป็นสุขอยู่เราจึงอยากได้กันแล้วอยากแล้วมันก็ทำให้เราอยากแบบไม่ไม่พอ พอได้มาเท่าไหร่มันก็ความอยากก็ไม่หายไปกับอยากอยากได้มากขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เราก็เลยไม่เห็นว่าความอยากได้นี่ก็เป็นทุกข์ลวทำให้เราอยู่ไม่เป็นสุขละถ้าเรามีดวงตาเห็นธรรมเราก็จะเห็นว่าการมีความอยากนี่มันเป็นทุกข์การไม่มีความอยากนี่มันเป็นสุขและสิ่งที่เราอยากได้มันก็ทำให้เราทุกข์พอได้มาแล้วเดี๋ยวมันหมดไปเราก็ทุกข์ นี่คือยานวิเศษที่เราต้องเห็นเคยเห็นใจรักเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์แล้วมันทุกข์ที่ความทุกข์นี้ก็เกิดจากความอยากของเราเองที่ไปอยากได้เขาพออยากได้เขาก็อยู่ไม่เป็นสุขแล้วแล้วพอได้เขามาก็ต้องทุกข์กับเขาอีกแล้วทุกข์เพราะรักเพราะห่วงได้อะไรมาก็รักก็ห่วงก็เป็นห่วงห่วงก็ทุกข์หวงก็ทุกข์ แล้วเดี๋ยวเวลาเขาจากไปก็เสียใจเศร้าโศกเสียใจก็ทุกข์อีกนี่คือให้มองให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์ทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องจากเราไปกลายเป็นของคนอื่นไปแม้แต่ร่างกายของเรามันก็ไม่ใช่ของเราเดี๋ยวมันก็ต้องกลายเป็นดินน้ำลมไฟไปกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไป นี่คือยานวิเศษเราต้องเห็นพวกเราถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนเราจะไม่มีวันที่จะรู้เรื่องยานวิเศษนี้ได้พวกเราโชคดีเราเราเราไปได้ครึ่งทางแล้วเราได้ปัญญาแล้วแต่สิ่งที่เราไม่ได้คือโอเบขาเรายังทําใจไม่ได้ถึงแม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์ก็ยังอยากได้ถึงแม่รู้ว่าเงินทองเป็นทุกข์ก็ยังอยากได้ถึงแม่รู้ว่ามีแฟนแล้วเป็นทุกข์ก็ยังอยากมีแฟนอยู่ เพราะว่ามันมันดีกว่าอยู่คนเดียวทุกแบบอยู่คนเดียวก็ทุกแบบมีแฟน <s and> เอาทุกแบบมีแฟนดีกว่าใช่ไห ม, มแต่ถ้าเรามีอุเบกขาแล้วบอกโอ้ยเราอยู่คนเดียวได้เราไม่ทุกข์ถ้าเรามีอุเบกขาแล้วเรามีความสุขในตัวเราแล้วพอแล้วพอเราได้ปัญญามาบอกว่าถ้าเราได้เขามาแล้วเราจะทุกข์มากกว่าสุขเราก็ไม่เอาดีกว่าเพราะเรามีความสุขในตัวเราเาั้น เราต้องตอนนี้สิ่งที่เราขาดไม่ใช่ปัญญาญาณวิเศษเรามีกันเนี่ยเราฟังเทศทธรรมทุกวันเนี่ยเราได้ยินอนิจจังทุกขังรนัาตาตลอดเวลาแต่เรายังปล่อยไม่ได้เรายังหยุดความอยากไม่ได้เพราะเราไม่มีความสุขในตัวเราเราจึงต้องมาสร้างอุเบกขาสร้างสติถ้ามีสตินั่งสมาธิใจก็จะเป็นอุเบกขาใจก็จะสงบแล้วใจก็จะมีความสุข พอมีความสุขแล้วก็จะปล่อยวางความอยากได้ละความอยากได้สมัยพระพุทธเจ้านี่กลับกันสมัยพระพุทธเจ้านี่ผู้ปฏิบัติเขามีอุเบกขากันแล้วพระพุทธเจ้าก็มีอุเบกขาหรือสีพระปัญจวัคคีย์ก็มีอุเบกขากันแต่ไม่มีปัญญากันไม่รู้ว่าอะไรทําให้ใจทุกข์กันพระพุทธเจ้าก็เลยค้นพบว่าความทุกข์เกิดจากความอยากนี้เอง พออยากปัาบในใจจะทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้าหยุดอยากปั๊บความทุกข์ก็จะหายไปทันทีใจก็ยังอยากถึงแม้ว่าจะได้ชาออกมาแต่ใจก็ยังรักร่างกายเพราะยังไม่ไม่มียาวิเศษเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรายังคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราอยู่ก็เราอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเกิดความอยากก็จะไม่สบายใจ เวลาร่างกายแก่ก็ไม่สบายใจเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่สบายใจเวลาร่างกายจะตายก็ไม่สบายใจแต่ถ้าหยุดความอยากเหล่านี้ได้จะไม่รู้สึกไม่สบายใจเลยจะรู้สึกเฉยเฉยพอพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ทาใจเฉยเฉยว่าอย่าไปอยากกับร่างกาย ปล่อยให้ร่างกายเป็นไปตามความจริงของเขาและห้ามเขาไม่ได้ร่างกายเขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ปล่อยเขาแก่เขาเจ็บเขาตายไปร่างเราจะไม่ทุกข์กับเขาถ้าเราเฉยเฉยพวกปัญจวัคคีย์พวกที่มีสมาธิเขาก็เฉยได้ทันทีเพราะเขามีเขาเฉยเป็นแล้วไงแต่พวกเรานี้เฉยไม่เป็นยังเฉยไม่เป็นเพราะเรายังไม่ได้อุเบกขาเรายังไม่ได้อัปปนาสมาธิกัน ถ้าเรามาฝึกออกปัญาสมาธิแป๊บนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็บรรลุทำได้เลยเพราะเรารู้แล้วนี่ว่าความอยากนี่เป็นตัวที่ทำให้เราไม่บรรลุที่ทาให้เราทุกข์กันเราไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากเหล่านี้ได้เพราะเรายัางต้องพึ่งร่างกายอยู่เรายัางอยากใช้ร่างกายหาความสุขอยู่ แต่ถ้าเราได้อุเบกขาแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุขแล้วพอเราไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุขร่างกายจะเป็นอะไรก็ช่างหัวมันเราไม่เดือดร้อนเพราะเรามีความสุขได้เวลาร่างกายแก่เราก็มีความสุขเหมือนเดิมเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็มีความสุขเวลาร่างกายจะตายเราก็มีความสุขเราก็เลยไม่ต้องไปเดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกาย ตอนนี้เราต้องมาฝึกอุบเบกขาการให้ได้ฝึกสมาธิกันให้ได้้าได้สมาธิแล้วเราจะเอาปัญญาที่พระเจ้ามาสอนที่สอนให้เรามาสอนใจได้ว่าอย่าไปยุ่งกับร่างกายอย่าไปยุ่งกับคนอื่นปล่อยเขาเขาจะเป็นอะไรเราห้ามเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นของเราเขาไม่ได้เป็นสมบัติของเรา<ม>เขาจะอยู่เขาจะไปเราห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราอยากให้เขาไม่ไปเราก็จะทุกข์ ถ้าเขาอยู่เราอยากให้เขาไปเราก็จะทุกข์เอกเหมือนกันถ้าเขาจะไปแล้วอยากให้เขาอยู่ก็ทุกข์ทุกข์ทั้งสองอย่างทุกข์อยู่ก็ทุกข์ไปก็ทุกข์แต่ถ้าเราเฉยๆเขาจะอยู่ก็อยู่ไปเขาจะไปก็ไปเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาที่เราทุกข์ก็ทุกข์เพราะความอยากไม่ใช่ทุกข์เพราะว่าเขาอยู่หรือไม่อยู่ใจเรามันมีแต่ความอยากตลอดเวลาเฮมิอะไรก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาทัน มันก็เลยทุกพอมันมันไม่ได้เป็นไปตามความอยากมันก็ทุกถ้าเรามาหยุดความอยากได้มาทำใจให้เป็นอุบเบกขาได้มันก็เฉยๆกับทุก อ, อยาก่างก็อยู่ก็อยู่ไปไปก็ไปก็เท่านั้นเองเราไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปพึ่งเขาแล้วเรามีความสุขในตัวเราเราไม่มีความสุขในตัวเราเราก็ต้องไปพึ่งคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ก็ต้องให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนั้นก็อย่าให้เขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้ก็อย่าให้เขาเป็นอย่างนั้นพอเขาไม่เป็นก็ทุกข์วุ่นวายใจขึ้นมาแต่ถ้ามีความสุขในใจแล้วก็ไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาจะเป็นอย่างนั้นก็ปล่อยก็เป็นไปเขาจะเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยก็เป็นไปไม่เกี่ยวกับเราเราไม่ต้องใช้เขาเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราเพราะเรามีความสุขในตัวเรา มาทำสมาธิแล้วจะมีความสุขในตัวเราแล้วเราไม่ต้องไปหาความสุขภายนอกแล้วเราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆเพราะเราไม่ต้องใช้เขาเอามาให้ความสุขกับเราแล้วอันนี่คือคําตอบอยาวหน่อยไหมข้อนี้คําถามจากคุณเออค่ะกระผมนั่งสมาธิโดยวิธีไม่ใช้ลมไม่ใช้คําบริกรรมไม่ดูลมแต่ใช้วิธีควบคุมความคิด โดยเวลานั่งก็ใช้สติบังคับไม่คิดเรื่องใดเลยให้ความคิดว่างสักพัก 5-20 นาทีรู้สึกตัวเองตัวเบาขึ้นเหมือนลอยในอากาศแล้วเกิดความสุขมากที่สุดในชีวิตแบบไม่เคยพบมาก่อนถึงจุดนี้ประมาณไม่ถึง10นาทีสมาธิจะจะถอนออกเองครับแต่ผมจะทำอย่างไรให้การทำสมาธิพัฒนามากไปกว่านี้ครับก็ เ, เคยฟังครูบาอาจารย์มา ถ้าจิตรวมจะนั่งได้นานหลายชั่วโมงหรือว่าต้องเปลี่ยนใช้คําบริกรรมหรือดูลมแทนครับก็ลองดูสิลองลองเพ่งดูลมไปดูดูลมน่าจะจะดีพระพุทธเจ้าก็สอนให้ดูลมอานาปานาสติให้ดูลมหายใจเข้าออกแล้วจิตมันจะเด่งลงเลึกลงเข้าสู่ฐานของมันเลยถ้าใช้สติเราก็จะกดมันได้เท่าที่กําลังสติของเรามีอยู่ ถ้ามันมีมากมันก็ลงถึงฐานได้อย่างพระพุทธเจ้านี่ตอนที่เป็นเด็กนี่นังอยู่เฉยๆคนเดียวมันก็เด่งลงถึงฐานได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้ลมไม่ต้องใช้พุทธโธเพราะพุทธเจ้ามีกําลังสติมากพออยู่คนเดียวไม่มีใครมารบกวนก็เลยจิตก็เลยนิ่งเข้าสู่ความสงบเลยถ้าว่าเป็นครั้งเดียวตอนที่เป็นเด็กเพราะเป็นครั้งเดียวที่เขาปล่อยท่านอยู่คนเดียว ตามปกติแล้วจะต้องมีอารักขามีนางสนมมีมีคนข้าราชบริพารคอยเฝ้าคอยดูแลอยู่เพอวันนั้นเขามีงานแลกนาขวัญเขาไปยุ่งกับงานอย่างอื่นก็เลยทิ้งให้ท่านนั่งอยู่ใต้โคนไม้คนเดียวท่านก็ไม่รู้จะทําอะไรจิตก็เลยเข้าข้างในเลยเมื่อข้างนอกไม่มีอะไรให้ทำมันก็เลยเข้าข้างในเพราะสติมันมีกําลังมากมันคอยจะดึงจิตเข้าข้างในอยู่ตลอดเวลา ลิงเข้าไปหาความสุขนี่ความสุขที่เกิดจากการรวมความสงบของจิตเป็นความสุขอย่างยิ่งพอจิตได้สัมปัติกับความสงบอย่างนี้แล้วมันจะติดใจมันจะไม่อยากได้ความสุขอย่างอื่นแะมันอยากจะหาความสุขแบบนี้คนถึงเลิกเที่ยวเลิกเลิกมีแฟนได้แล้วก็เข้าวัดได้ก็เพราะความสุขตัวนี้แหละพอการได้ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วก็จะทิ้งความสุขในรูปแบบอื่นไปหมด เพราะรสชาติมันต่างกันรสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงนี่รสก็คือความสงบนี่นัตติสันติบาลังสุขขังไม่มีความสุขันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบถ้ยได้ความสุขของอัปปนาสมาธิล้วก็จะติดใจเหมือนกับได้รถโรลสรอยแล้วทีนี้ใครจะให้รถอะไรมาก็ไม่เอาละ จะเอาโรสโลอยอย่างเดียวให้เบนก็ไม่เอาเอให้จากั้วก็ไม่เอาให้อะไรก็ไม่เอาจะเอาโรสโลอยอย่างเดียวอ่ถามต่อคํถาถามจากคุณปัทภีปกติคนเราทั่วไปมักจะชอบความสุขเกลียดความทุกข์ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องปกติของกิเลสที่พาไปแต่ทําไมเวลาเราเจอเรื่องทุกข์ใจถึงจิต ถึงได้มกมุ่นอยู่แต่กับความทุกข์ไม่ยอมลืมจนบางครั้งบางคนถึงกับฆ่าตัวตายก็มีท า, ทางที่มันน่าจะมีทางจะหลีกหนีความทุกข์โดยอัตโนมัติเพราะจิตใจเราน่าจะเกลียดความทุกข์ความทุกข์มันเป็นเหมือนเขาเรียกเขาเรียกอะไรไที่เป็นที่เราจะดึงตัวเราออกจากมันได้ไความทุกข์ก็แบบเป็นบอ่อทรายดูดนี่แหละ พอเราตกลงไปปั๊บนี่มันออกมาไม่ได้มันจะมีแต่ทุกข์ไปเรื่อยๆนอกจากว่าเราเคยฝึกสติไว้ก่อนนี่ถ้ามีสตินี้เราก็จะมีกำลังที่จะดึงตัวเราให้ออกจากบ่อทรายดูดได้บอ่อห่อหนความทุกข์ได้แต่คนที่ทุกข์มากๆอยากฆ่าตัวตายนี่แสดงเขาไม่มีปัญญาไม่มีสติเขาไม่รู้จักทางออกมีแต่จะ ทำให้เขาถูกดูดลงไปลึกเพราะยิ่งดิ้นใหญ่แทนที่จะไม่ดิ้นอยู่เฉยๆหรือหาอะไรดึงตัวเองขึ้นมาก็เป็นดิ้นยิ่งดิ้นก็ยิ่งถูกดูดลงนึกไปใหญ่ยิ่งอยากวันนี้เวลาทุกข์แล้วยิ่งอยากให้มันหายทุกข์มันยิ่งทุกข์ใหญ่เวลาทุกข์ต้องอยากไปอยากห้ทุกข์ต้องทำใจเฉยๆแล้วก็ยอมรับกับเหตุการณ์ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วความทุกข์มันก็จะหายไป แล้เวเหตุการณ์นั้นมันก็เปลี่ยนไปขอฝากถาวว่าทํายังไงให้มีความสุขนานๆก็นี่ยแหละต้องฝึกสติมากๆแล้วนั่งสตินั่งสมาธิบ่อยๆก็จะมีความสุขได้นานๆต้องมีเวลามาฝึกสติมาอยู่คนเดียวแล้วก็ต้องอย่าไปหาความสุขทางตาหูจมู ก, กลิก้นกายเพราะมันจะมาขัดกับการหาความสุขทางใจ ขับจะคุณสายชนขนาดน่งบริกรรมพุโทโธพร้อมกับดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกไปได้ระยะหนึ่งลูก ร, ร, รู้สึกตัวว่าตัวเบาสบายแต่ยังได้ยินเสียงลมพัดซึ่งลูกยังบริกรรมพุโทโธพุธโทโธอยู่ค่ะแต่จากช่วงแรกดูลมเข้าออกที่ปลายจมูกแต่จิตกลับเคลื่อนไปจดจ่ออยู่ที่กลางอกที่มีเสียงใจเต้นเป็นจังหวะลูกควรจะดึงการจดจ่อกลับมาอยู่ที่ปลายจมูกหรือเปล่าคะหรือลูกควรจะทําอย่างไรต่อไปเจ้าคะ คือถ้าเราดูลมมันดูได้สองที่ไงดูที่ปลายจมูกหรือดูที่กลางอกแต่ไม่ให้ไปดูหัวใจเต้นมันเปลี่ยนคนละเรื่องไปแล้วถ้าจะดูลมดูที่ปลายจมูกก็ได้เวลาลมเข้าก็รู้ว่ามันเข้าเวลาออกก็รู้ว่ามันออกหรือถ้าจะดูที่กลางอกก็ดูว่าเวลามันเข้ามันก็พองขึ้นมาเวลาออกมันก็ยุบลงไปถ้าจะดูตรงกลางอกอย่าไปดูที่หัวใจเต้น ให้ดูการยุบพองของหน้าอกถึงจะเรียกว่าดูลมถ้าไปดูหัวใจเต้นมันไม่มเต้นชดัดให้ดูลมมันเห็นง่ายกว่าจะดูที่ปลายจมูกก็ได้จะดูที่กลางหน้าอกก็ได้แต่เมื่อดูตรงจุดั้นล้วก็ขอให้มันอยู่ตรงจุดนั้นไปอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใจก็จะไม่นิ่งเราต้องการให้มันนิ่งต้องให้มันอยู่จุดเดียว ถ้าเคลื่อนจากจมูกไปอยู่ที่หน้า อ, อกก็อยู่ตงที่หน้า อ, อกอย่ากลับมาที่จมูกอกีกให้มันอยู่จุดเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็จะนิ่งได้คำถามจากคุณพัชละวัตรค่ะมีพระวัดสายตารูปหนึ่งชวนให้ผมพาท่านไปพบกับพระอีกรูปซึ่งอยู่ต่างวัดและต่างจังหวัดผมถามผมถามท่านกลับไปว่าได้แจ้งเจ้าอาวาสของท่านหรือยังท่านบอกผมว่าไม่เป็นไร พอท่านเจ้าว่าท่านทราบและไล่ท่านให้ออกจากวัดผมจะบาปมากไหมครับถ้าผมไม่ได้ส่งท่านเพราะผมติเจ้านาว่าไม่ใช่ธุระของผมครับ <c oughs> ไม่บาปหรอกถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเราอยู่เฉยๆคำถามจากผู้มไม่ประสงค์ออกนามเวลานั่งสมาธิจิตที่ลอยขึ้นสูงๆเบาๆเหมือนจะหลุดออกจากกายเป็นอาการของอะไรครับ ไม่รู้เหมือนกันก็เป็นรางกายของจิตนี่แหละเแต่ว่ามันไม่ควรจะลอยขึ้นสูงๆอยวช่วยวางไว้ตรงนั้นนะมันควรจะดิ่งลงสู่ความสงบถ้ามันลอยก็อย่าไปสนใจมันเวลานั่งอย่าไปนั่งดูจิตเวลานั่งให้ดูลมหรือให้ดูพุทโธไปอย่าไปสนใจกับอาการของจิตเพราะมันหลอกเราเดี๋ยวมันลอยเดี๋ยวมันลงเดี๋ยวมัน ทำให้เรารู้สึกว่าเราพองออกมาบางทีก็หดเข้าไปอาการต่างๆของจิตนี้ดูไม่ได้ดูแล้วจิตจะไม่สงบให้ดูลมหรือให้ดูพุทโธไปแล้วเดี๋ยวจิตก็จะสงบคำถามจะคุณจารุวันได้อ่านหนังสือมหาเศรษฐีที่แท้จริงทราบมาว่าหลวงพ่อได้อ่านหนังสือภาษาอังกฤษเล่มเล็ก20หน้าที่ฝลั่งแปลจากภาษาติดอ เกี่ยวกับอนิจจังความไม่เที่ยงจึงอยากขอทราบว่าหนังสือเล่มนั้นชื่ออะไรคะต้องการแนะนำให้ชาวต่างชาติอ่านคะ่ะก็มันจำไม่ได้ชื่อมันมนต้องนานแล้วมันเดี๋ยวรู้สึกว่าเรามีมีมีมีอยู่ในในเว็บนะแต่ต้องคือมันเป็นหนังสือของ Buddhist Publication Society เนะี่ย แล้วมันมีเป็นชื่อว่ามันเป็นเกี่ยวกับายรักแล้วมันแบ่งเป็นสามเล่มมันจะเล่มหนึ่งจะพูดถึงอนิจจาคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอีกเล่มมันจะพูดถึงเรื่องของความทุกข์อีกเล่มจะพูดถึงอนัตตาอันนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะถ้าอยากจะรู้เดี๋ยวก็ต้องอ เดี๋ยวจะลองหาลิงก์มาแล้วให้บอกทาง Facebook ไปทีก็แล้วกันเข้าไปในกรมฐาน่า .com ก็ได้ k a m m a t t h a n a. c o m แล้วมันจะมีคำว่า impermanent อยู่ลองไปเช็คไอ้ตรงคำว่า impermanent ก็จะได้หนังสือเล่ม น, นั้นอยู่อยู่ในกรมฐาน่า .com นี่อยู่ในตอนต้น กรรมฐานนะ่าดอดนะั่นจะแบ่งเป็นสองสองช่วงข้างบนจะเป็นภาษาอังกฤษช่วงล่างจะเป็นภาษาไทยพอเช็คพอเปิดเข้าไปมันก็จะอยู่ที่หน้าภาษาภาษาอังกฤษเลยแล้วก็จะอยู่ช่วงแรกแรกตอนต้นมีคำว่า impermanent ก็ลองคิดเข้าไปตรงนั้นก็จะได้หนังสือเล่ม น, นั้นเราใส่ไว้ในต้องใส่ไว้ในนั้นคำถามจากคุณชิน ขันติและอุเบกขาเกี่ยวพันกันอย่างไรเจ้าคะขันติเป็นผลที่เกิดจากการมีอุเบกขาถ้ามีอุเบกขาใจเราเฉยเราก็จะอดอดทนอดกลั้นได้ถ้าเราไม่มีขันติเราก็จะอดคนอดถ้าเราไม่มีอุเบกขาเราก็จะอดกลั้นอดทนไม่ได้ยังต้องมีอุเบกขาจะมีอุเบกขาได้ก็ต้องมีสติก่อน ถ้าเราฝึกสติอยู่เรื่อยๆควบคุมความคิดได้ควบคุมอารมณ์ได้จิตก็จะวางเฉยแลว้วพอวางเฉยสิ่งต่างๆก็จะไม่รู้สึกยากเย็นลำบากยากเย็นก็อยู่กับมันได้ทนได้สู้ได้คำถามจากคุณมนค่ะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต่อเมื่อหยุดคิดจึงได้รู้แต่เหตุใดจึงต้องอาศัยความคิดนั้นจึงรู้ครับ อย่ามาเอาคำถามเหล่านี้มาถามเราเลยเรามันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคาถามจากคุณโออยากจะรู้ว่าการกินเจกับการถือศีลห้าอันไหนอ น, นิสงส์มากกว่ากันคะอ๋อถือศีลห้าสิกินเจไม่มีอ น, นิสงส์อะไรกินเจแล้วกินเนื้อสัตว์นี่เท่ากันถ้าเราไม่ได้ฆ่าเนื้อสัตว์มากินเอง เนื้อสัตว์ที่ตายแล้วที่เราไปซื้อตามตลาดนี่มันก็เป็นเหมือนผักดีๆนี่แหละผักที่กินผักด้วยกินเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วก็มีผลเท่ากันเป็นอาหารแต่การรักษาศีลกับไม่รักษาศีลนี่มีความต่างกันรักษาศีลก็จะทำให้เรารักษาความเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่รักษาศีลเราก็จะเสื่อมจากมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปไปเป็นสัตว์นรก ถ้าเราอยากจ ะ, จะรักษาความเป็นมนุษย์อยู่เราก็ต้องรักษาสี่ห้าถ้า ร, ารักษาสี่ห้าได้ตายไปเราก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ได้ไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วถ้าเราทาบุญด้วยเราก็ไปเป็นเทวดาก่อนสูงกว่ามนุษย์แต่ถ้าไม่ได้ทำบุญเพียงแต่รักษาสีลห้าอย่างเดียวตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายแต่ไปสวรรค์ไม่ได้เพราะไม่มีบุญพาไป มีแต่ศีลทำให้เรากลับมาเป็นมนุษย์เท่าเดิมการมีศีลนี่เหมือนกับการรักษาสถานภาพเดิมของเราที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ตอนนี้ร่างกายเราเป็นมนุษย์ใจเราอาจจะไม่เป็นมนุษย์ก็ได้ถ้าใจเราทำบาปใจเราก็จะเสื่อมลงไปเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเดรัจฉานบ้างแล้วแต่ความหนักเบาของบาปที่เราทำ แต่ถ้าเราไม่ทํำบาปแล้วเราทําบุญร่างกายเราเป็นมนุษย์แต่ใจเราเป็นเทวดาแล้วที่เราทําบุญให้ทานช่วยเหลือคนนั้นคนนี้สงเคราะห์คนนั้นคนนี้เ น, น, นี่ยใจเราไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วใจเราเป็นเทวดาแล้วแล้วถ้าเรามานั่งสมาธิทําใจให้สงบได้ใจเราไม่ได้เป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นเทวดาแล้วไปเป็นพรหมแล้วแล้วถ้าเรา ใช้ปัญญาตัดกิเลสได้ละความโลภความโกรธความหลงละความอยากต่างๆได้เราก็เป็นใจเราก็เป็นพระโสดาบันเป็นพระสะกิดาขามีเป็นพาาาระนาคามีเป็นพระอรหันต์แต่ร่างกายก็ยังเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจเปลี่ยนไปแล้ว อ, อย่างพระพุทธเจ้าของเราร่างกายท่านก็เป็นมนุษย์แต่ใจท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเป็นพระอาหารหันต์ตัสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนั้นใจนี้เปลี่ยนไปได้ตามบุญตามบาปที่เรา ทำกันในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ใจเราก็เปลี่ยนไปทันทีตามบุญตามบาปที่เราทําังนั้นถ้า <c oughs> ถ้าเราอยากจะรักษาศีลห้าก็ดีกว่ากินเจ <c oughs> กินเจหรือไม่กินเจไม่มีผลต่างกัน <c oughs> ถ้าเราไม่ได้ทําบาป <c oughs> เพื่อที่จะมาทําเอาสัตว์มาฆ่ามาทําเป็นอาหาร <c oughs> เราก็ยังรักษาศีลห้าอยู่ <c oughs> เราไม่ได้ทาบาป ถ้าเราไปซื้อเนื้อสัตว์ที่เขาขายในตลาดเขาเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วมันก็เหมือนไปซื้อผักมันก็ไม่มีชีวิตเหมือนกันคำถามจากคุณหยกการรักษาสิ่งทาในแต่ละวันถ้ามีผิดสักข้อจะผิดมากไหมคะก็เหมือนเราเวลาทําำ่ารบ้านเนี่ยทําการบ้านครูบ้าให้การบ้านมาสิบข้อ อาจจะทำํทำทําได้ถูกบ้างไม่ถูกบ้างเดี๋ยวก็ดูคะแนนที่อาจารย์ให้ได้ห้าทบสิบ 10, ได้6กทับสิบบางคนก็ได้สิบทับสิบเลยได้ร้อยเปเซ็นก็เส้นก็แบบเดียวกันนะถ้าขาดมันก็เหมือนเหมือนเสื้อผ้า ท, ที่เราใส่เนี่ยถ้าขาดรูหนึ่งมันก็ขาดรูหนึ่งถ้าขาด10บรูมันก็มันก็ขาด10บรูเสื้อผ้ามันก็จะดูม ดูไม่สวยขึ้นไปยิ่งขาดมากมันก็ยิ่งไม่สวยศีลก็เหมือนกันอยู่ถ้าเรารักษาได้มากมันก็ทำความให้ความเป็นมนุษย์ของเรามีอยู่มากถ้าเรารักษาศีลห้าได้ครบเ ร, เ, รเราก็เป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นถ้าเรารักษาศีลห้าได้ห้าสิเปอร์ซ็ น, น, นเราก็เป็นมนุษย์ครึ่งหนึ่งเป็นเดรชานครึ่งหนึ่งเป็นสัตว์ครึ่งหนึ่งเป็นมนุษย์ครึ่งนึงแล้วแต่ปริมาณของศีลที่เรารักษากันอยู่ มีครับข้าราการรับสีข้อสี่มี cover เรื่องอะไรบ้างคะรวมถึงครูสานด้วยตามหลักในสี่ห้านีนท่านก็ให้ถึงคำเดียวว่าให้ไม่ให้พูดปดให้พูดความจริงอย่าพูดปดอย่าพูดคำเท็จเท่านั้นเองแต่ถ้าต้องการให้มันสิละเอียดสินของนักบวชนี่เขาก็มีไม่ให้พูดคำหยาบไม่ให้พูดเพ้อเจ้อ พูดเรื่องไร้สาระแบบพูดที่เขาชอบคุยกันตามไลน์ตามอะไรพวกนี้มีแต่เรื่องไร้สาระ <c oughs> ถ้าจะพูดก็พูดเรื่องธรรมะสนทนาธรรมนี้ได้อยู่หรือพูดเรื่องวิชาการถ้าเป็นหมอเป็นอะไรก็คุยเรื่องวิชาการเรื่องรักษาโาครคภัยไข้เจ็บอะไรนี่เรียกว่าไม่ได้เรื่องพูดเพ้อเจ้อพูดแล้วมันมีประโยชน์แล้วก็ไม่ให้พูดสอเสียสอเสียไม่ใช่เป็น ไม่ได้หมายความว่าเสียดสีสเสียดแปลว่าพูดยุยงให้เกิดความโกรธเกลียดกันยุคนนี้ให้โกรธคนนั้นยุคนนี้ให้เกลียดคนนี้ไม่ให้พูดพูดให้เคารักกันยใกกนุให้เคารักกันให้เคารักให้เค้าสา ม, มัคคีกันนี่คือสินที่ละเอียดข้อสแต่ถ้าสำหรับทั่วไปเที่ยวถือสิน5้าก็เป็นแต่มุสาวาดาเวรามณี ่ละเวเป็นจากการพูดปทเท่านั้นเองสินแปะกค่ไหนกานได้พูดแค่ก็มีแค่มุสาวาฏเท่านั้นเองแต่ถ้าจะเป็น อ, ก, อกุศลระบบนี้มันก็มีมีสี่ไม่พูดปดไม่ไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดสอ่อเสียดต่อไปคํถาถามจากคุณอ้อค่ะวันนี้ลูกคิดว่าจะไม่ฟังเทศเวลาทํางาน แต่ก็ดไม่ได้เพราะอะไรคะแต่เวลาฟังเทศตอนทํางานลูกรู้สึกมีสมาธิกับงานดีค่ะก็เพราะว่าต้องมีสมาธิกับการฟังอยู่อแต่ก็มันก็จะไม่ได้ประโยชน์ถ้าทำสองอย่างไปพร้อมๆกันมันก็จะได้ห้าสิบห้าสิบเดี๋ยวก็มาฟังเทศเดี๋ยวก็กลับไปทํางานกลับไปกลับมาแต่ถ้างานไม่เสียก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้า พอบางทีงานเราก็ไม่ได้ทําแบบทุกวลานาทีช่วงไหนว่างเราก็ฟังเทศไปช่วงไหนไม่ว่างเราก็ทํางานไปอก็ถือว่าจะได้ใช้เวลาว่างที่ระหว่างช่วงทํางานมาให้เกิดประโยชน์จากการฟังธรรมแต่ถ้าอยากจะได้ไประโยชน์จากการฟังธรรมเต็มร้อยก็ต้องไม่ทํางานในช่วงนั้นคําถามจากคุณจีรศักดิ์ค่ะผมนั่งสมาธิ แล้วมีคำผูดขึ้นมาจากใจว่าสิ่งที่รู้สิ่งที่เห็นเป็นสิ่งไม่เที่ยงให้ทำไปจนกว่าไม่รู้ไม่เห็นอะไรคำที่ผูดขึ้นมาบอกนี้คืออะไรครับและกระผมต้องทำอย่างไรต่อไปครับก็ให้ฟังหูไว้หูเลยเขาพูดอะไรแล้วก็ฟังไว้แล้วก็ดูซิว่ามันจะเป็นอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าท่านเองคำถามจากคุณเพียงแค่ผ่าน ม, มา สามีแอบทำผิดศีลข้อกาเมเราจะทำใจอย่างไรก็คิดว่าเขาไม่ได้เป็นสามีเราก็แล้วกันคำ <c oughs> ถ, ถามจากคุณกฤษพรนั่งสมาธิแล้วหลับบ่อยมากทั้งๆ ท, ที่ไม่มีอาการง่วงจะมีวิธีแก้ไขยอย่างไรวงเล็บจิตรวมสงบแล้วหลับ <c oughs> <c oughs> ก็ถ้าอยากจะไม่ให้หลับก็ต้องลุกขึ้นมาเดินจงกรมแทนหรือไปอยู่ที่น่ากลัวถ้าหน้าที่ใหญ่ที่มันที่น่ากลัวมันก็จะไม่ค่อยหลับมันหลับไม่ลงเพราะมันกลัวหรือถ้าหาที่น่ากลัวไม่ได้ก็จะอดอาหารดูก็ได้อดอาหารมันหิวมันก็จะไม่หลับคำ ถ, ถามจากคุณนิสากร เวลาให้ทานใจตัวเองจะเลือกให้เฉพาะคนที่คนที่เลื่องมากไม่อยากให้เพราะเราควรทำใจอย่างไรคะก็การทำบุญนี่มันก็เราสามารถเลือกได้แต่ถ้าไม่เลือกได้ก็ยิ่งดีใหญ่หมายความว่าถ้าเราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับทุกคนมันก็ทําให้ใจเรากว้างขวางแต่ถ้าเรายังยังต้องเลือกอยู่เพราะเรายังมีกิเลสอยู่เรายังมีที่รักมักที่ชังอยู่ ก็ยังไม่เป็นปัญหาอะไรก็เราก็ยังได้บุญอยู่เป็นแต่เราได้บุญเฉพาะกับกลุ่มกลุ่มกลุ่มคนน้อยหน่อยแต่ถ้าเราไม่เลือกเราก็สามารถที่จะทําบุญกับทุกกลุ่มทุกคนได้มันก็จะกว้างกว่ า, า, ากว้างใหญ่ไพศาลกว่าตอนต้นเราก็ยังต้องเลือกไปก่อนเพราะเรายังมีกิเลสอยู่ต่อไปเมื่อจิตใจเราพัฒนาดีขึ้นสูงขึน้ตนต่อไปเราก็จะสามารถที่จะทําให้กับ ทำบุญกับทุกคนได้แต่ทําบุญที่จะได้เกิดประโยชน์ก็ควรจะทําด้วยปัญญาคือต้องรู้จักบุคคลที่รับว่ามีแตกต่างกันคนดีก็เท่าที่จําเป็นต้องช่วยเช่นเวลาตํารวจเขาไปจับคนร้ายแล้วเกิดยิงกันคนร้ายบาดเจ็บตํารวจก็ยังต้องช่วยเอาไปรักษาพยาบาล แต่ไม่ช่วยแบบปล่อยไปเลยก็ยังก็นนมีตำรวจคอยเฝ้าดูพอหายก็จับไปขังคุกขังตารางต่อไปอันนี้ก็เรียกว่าช่วยเหมือนกันแต่ไม่ได้ช่วยแบบเต็มที่แต่คนที่ทําคุณทําประโยชน์กับสังคมหรือกับอะไรนี้เราอาจจะช่วยเขามากกว่านอกจากถ้าเกิดเขาเจ็บไข้ได้ป่วยช่วยรักษาแล้วเรายังอาจจะช่วยให้เขามีเงินมีทองได้ใช้ต่อไป เพาเขาเป็นคนที่มีคุณมีประโยชน์มีความดีให้เงินเขาแล้วเขาก็ไปทำประโยชน์ให้แก่สังคมต่อดังนั้นการจะทำบุญทำทานก็ต้องมีปัญญาด้วยไม่ใช่ว่าจะต้องทำเหมือนกันทุกคนทำได้ทำให้ทุกคนได้แต่การช่วยเหลืออาจจะหนักเบาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความดีของคนที่เราช่วยเหลือ คนที่ก็มีพระคุณกับเราอย่างนี้เรากับคนที่ไม่มีพระคุณเราจะทำให้เท่ากันหรือเปล่าถ้าเราเลือกได้เราก็ต้องทำกับคนที่ก็มีพระคุณกับเรามากกว่าที่เราทำกับคนที่ไม่มีพระคุณคนที่ไม่มีพระคุณเราก็ทำไปตามหลักของมนุษยธรรมคือถ้าเขาขาดแทนปัจจัยสี่แล้วก็ช่วยเหลือเขาไปแต่เราก็ไม่ช่วยมากไปกว่านั้นแต่ถ้าคนที่เ็มีบุญคุณกับเรานอกจากช่วยเหลือทาง ปัจจัยสี่แล้วเรายังอาจจะช่วยมากไปกว่า น, นั้นเพิ่มไปอาจจะซื้อรถให้ด้วยนอกจากซื้อซื้ออาหารให้กินแล้วยังซื้อรถให้ใช้อย่างี้เพราะเขามีบุญคุณกับเราเราต้องการจะตอบแทนบุญคุณให้กับเขาหรือเราเห็นว่าเขาเป็นคนดีถ้าเขามีรถยนต์แ้วเขาจะได้ไปทำความดีได้สะดวกขึ้นเราก็สนับสนุนเราจะต้องเลือกทาบุญกับคนดีกันเป็นเป็นหลัก ทำบุญกับองค์กรสาธารณประโยชน์ต่างๆสาธารณะกุศลทำบุญกับสภากาชาติไทยโปอเต็กตึงเรื่องกระตันยูเพราะกลุ่มนี้เขาไปทําประโยชน์ให้กับสังคมเราไม่ไปทําบุญกับพวกขอทานแบบที่เราทําบุญกับพวกปอเต็กตึงเพราะขอทานก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรนอกจากนอกจากนั่งขอทานแล้วเวลาเขาได้เงินกลับไปเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปทําอะไรอาจจะไปนั่งเล่นไพ่กันที่บ้านก็ได้ เรืไปนั่งกินเล่ากันก็ได้ดังนั้นเราก็ต้องเลือกการทำบุญทำทานเราถึงต้องมีปัญญาดูผู้รับว่าเขาทำประโยชน์มีคุณมีประโยชน์กับสังคมต่อโลกมากน้อยเพียงไรแล้วมีประโยชน์กับเรามากน้อยเพียงไรมันมีหลายด้านที่เราต้องวิเคราะห์ด้วยกัน จากคุณสิริที่พระอาจารย์บอกว่าเมื่อเราปฏิบัติธรรมไปจิตมันจะพัฒนาไปเองเราไม่ต้องไปลากไปเข็นจิตเรามันจะพัฒนาไปเองนั้นจะเริ่มตั้งแต่ขั้นไหนคะก็ขั้นเมตตาเองถ้าเรามีความเมตตาแล้วเราก็จะทำทานได้แล้วพอเราทำทานได้เราก็จะไม่อยากจะทำบาปเราทำบุญแล้วจะไม่ชอบทำบาปเมือ่อเรา รักษาศีลได้ไม่ทําบาปได้เราก็จะพัฒนาจากศีลห้าไปเป็นศีลแปดได้มันก็จะพัฒนาไปแต่ก็ต้องรู้ว่าต้องไปทางนี้ด้วยถ้าไม่รู้มันก็บางทีก็ไม่ไปมันก็ติดอยู่บางคนทําบุญก็ทําบุญอย่างเดียวศีลห้าก็ยังไม่รักษาพวกที่ทําบุญแล้วไม่รักษาศีลห้านี้เพราก็ทําบุญด้วยความเข้าใจผิดเนี่ยเราคิดว่าทําบุญเพื่อให้ร่ําให้รวยเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดี เนี่ยไม่ได้ทำบุญด้วยความเมตตาถ้าอางนี้พวกนี้จะไม่นักษาศีลเราก็คิดว่าทำบุญแล้วจะได้กลับมาร้อยเท่าสิบเท่าซึ่งมันก็ได้แต่มันเป็นการได้เป็นผลพลอยได้จากการทำบุญแต่เป้าหมายของการทำบุญจริงๆก็เพื่อให้เราเกิดความเมตต า, าให้เรามีความมีศีล ม, มีมีอะไรไม่เบียดเบียนผู้อื่นคถามจากคุณปิติพล ความอยากความคิดความรักความโลภความโกรธความหลงคือบ่วงพันธนาการทาให้เราติดอยู่ในโลกใบนี้ใช่ไหมครับอ่อใช่คำถามจากคุณชูไลรับทำไมเวลานั่งสมาธิจิตไม่รวมแต่จะไปรวมตอนนอนดับจิตเหมือนลงลงลิฟต์สว่างรู้ตัวด้วยเจ้าค่ะ บ, บางทีก็เห็นตัวเองนอน บางทีเห็นกระดูกตัวเองบางคืนรวมหลายรอบมากเลยเวลานอนเจ้าค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันะก็มันสบายมั่เวลานอนมันเป็นท่านอนมันสบายมันก็เลยหลับหลับแล้วมันก็ฝันคำถามจากคุณพลเคยดูสีนของพระผ่านแต่ยังไม่ได้พิจารณามีอยู่ข้อหนึ่งกล่าวว่า ท่านทรงห้ามพระสงฆ์มีให้พิสูจนีชีพรามที่เป็นเพศหญิงอุปถาเช่นซักผ้านุ่งผ้าห่มให้ครับอยากทราบว่าเพราะเหตุใดจึงบัญญัติไว้เช่นนั้นก็ไม่อยากให้พระอยู่ใกล้ผู้หญิงไงอยู่ใกล้กันแล้วเดียวมันก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาได้ยั้นท่านถึงต้องแยกไว้ไม่ให้ผู้หญิงมาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของพระพระนี่จะทํากิจกรรมของตนเอง ยิเพราะผู้หญิงกับผู้ชายก็เป็นเหมือนน้ำมันกับไฟถ้าอยู่ใกล้แล้วเดี๋ยวไฟมันจะลุกการอารมณ์มันจะเกิดถ้าเกิดการอารมณ์แล้วเดี๋ยวมันก็จะไปละเมิดศีลใหญ่ได้ไปราชิกไปทำให้ต้องขาดจากการเป็นพระได้ฉงนั้นท่านถึงห้ามไม่ให้ผู้หญิงมาทํากิจกรรมใกล้ชิดกับพระมากเกินไป จากคุณตัวเล็ค่ะพิสูีปัจจุบันมีจริงไหมคะก็เขามีกันไม่ใช่หรือว่าก็มีจริงที่เ ม, มื่อไเมื่อไหแต่ว่ามันจะมีถูกต้องตามหลักพระวินยัยหรือไม่นี้ไม่ทราบตามหลักของพระวินยัยของเทราวาฒเราของสงฆ์ไทยเรานี่เราถือว่าอพิสูนีได้หมดไปแล้วพันกว่าปีแล้ว ภิกษนี้นี่มีอยู่ปรากฏอยู่ได้พันกว่าปีแล้วก็หมดสภาพไปพอหมดสภาพแล้วก็จะฟื้นฟูนขึ้นมาเองไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่อนุญาตแม้แต่สงฆ์นี่ก็เหมือนกันภิกษุสงฆ์ก็เหมือนกันแล้วเกิดไม่มีการบวชไม่มีพระสงฆ์เหลืออยู่แล้วแล้ววันดีคืนดีใครอยากจะมาเป็นพระสงฆ์ขึ้นมามาบวชเองก็บวชไม่ได้นะเพราะไม่มีใครสอนไงไม่มีใครสั่งใครสอนไม่มีใคร นำพาให้รู้จักวิธีอยู่แบบพระจะอยู่แบบอย่างตอนนี้ไม่มีภิกษณุณีแล้วถ้าเกิดผู้หญิงอยากจะไปบวชเป็นภิกษณุณีแล้วจะไปรู้กับภิกษุณีเขาอยู่กันยังไงกินกันยังไงถึงแม้จะมีศีน์อยู่300อยกว่าข้ออ่านแล้วเข้าใจหรือเปล่าแล้วทําตามได้หรือเปล่านี่นมันก็จะไม่เป็นภิกษุณีที่สมบูรณ์แต่ถ้ามีภิกษุณีอยู่แล้วคอยสอนคอยถ่ายทอดเนี่ยมันก็จะรู้จัก ประเพณีธรรมเนียมของการกินอยู่ของภิกษุณีว่าอยู่กันอย่างไรอันนี้มันไม่มีแล้วถ้ามาบวชภิกษุณีก็เป็นการเหมือนกับว่าเป็นการบวชปลอมไปตามหลักของเถราวะเราแต่ทางสายของมหายานเขาว่าเขายังมีอยู่ธรรมาเนียมการบวชภิกษุณียังมีอยู่กบเลยไปบวชตามวัดมหายานกันแถวเกาหลีแถวไต้หวันหรือแถวอะไรไม่ทราบ เขาก็ยังถือว่าเขาเป็นภิกษุณีซึ่งเป็นไม่เป็นมันก็ไม่ใช่เป็นสาระสําคัญจะเป็นภิกษุณีก็ไปนิพพานได้ไม่เป็นภิกษุณีก็ไปนิพพานได้เป็นภิกษุณีไม่ได้ไปนิพพานก็มีเยอะเยะไม่ได้เป็นภิกษุณีแต่ไปนิพพานก็มีเพราะการไปนิพพานไม่ได้อยู่ที่การเป็นภิกษุณีแล้วไม่เป็นภิกษุณีอยู่ที่ว่ามีศีลสมาธิปัญญาหรือเปล่า มีเมตตามีมีทานมีศีลมีอุเบกขามีนิคัมมะมีปัญญาหรือเปล่าอันนี้เป็นตัวที่จะนำให้ไปนิพพานดังนั้นอย่าไปหลงประเด็นว่าต้องเป็นภิกษุณีถึงจะไปเป็นไปนิพพานได้เดี๋ยวจะหลงทางแล้วเดี๋ยวจะเสียเวลามาเรียกร้องขอความเป็นภิกษุณีเลเืมว่าการเป็นภิกษุณีเพื่อมาสร้าง บารมีต่างๆและการไม่เป็นพิกษุณีก็สามารถสร้างบารมีต่างๆเหล่านี้ได้เหมือนกันคํถาถามจากคุณอารีเดินจงกรมอยู่ในบ้านใส่รองเท้าได้ไหมคะหมายถึงรองเท้าที่ใส่อยู่ในบ้านคะ่ะได้ถ้าจะใส่รองเท้าก็ได้ถ้าไม่ใส่ก็ได้ตามตำเนียมโบราณเขาถือว่า การเดินจงกรมเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เขาก็เลยไม่ใส่รองเท้ากันเพราะว่าการใส่รองเท้าถือว่าเป็นการถือตัวคนโบราณคนที่เป็นใหญ่เป็นโตก็ใส่รองเท้ากันคนที่ต่ำ้าไม่มีรองเท้าใส่กันยิ่งถ้าเราอยากจะทำตัวเราต่ำเราก็ต้องไม่ใส่รองเท้าถ้าเราอยากจะบูชาผู้ที่สูงกว่าเราแม้การใส่บาตรก็เช่นเดียวกัน เวลาใส่บาตรก็ไม่ควรใส่รองเทา้าถ้าถอดรองเท้าก็อย่าไปยืนบนรองเทา้าบางคนถอดรองเท้าแล้วก็ยังยืนบนรองเท้าอยู่นะ <ST. S 1> ก็เหมือนกับใส่รองเทา้าคือถือว่ายืนในที่สูงกว่าผู้ผู้ที่สูงกว่าเราเราเป็นผู้ที่ต่ำกว่าคือพระนี่เขาถือว่าเป็นผู้ที่สูงกว่าเพราะ ม, มีมากกว่าญาติโยมเป็นผู้ที่ต่ำกว่าพระเพราะมีศีลน้อยกว่าดงั้นญาติโยมก็ไม่ควรที่จะวางตัวให้สูงกว่าพระ เช่นใส่รองเท้าใส่บาตรโดยยืนยืนที่สูงกว่าบางทีบางคนยืนที่สูงกว่าแล้วใส่บาทให้กับพระนี่ก็ไม่ควรอย่างไรก็ต้องมายืนในที่ระดับเดียวกับพระแล้วก็พระไม่ใส่รองเท้าเราก็ต้องไม่ใส่รองเท้าแต่คนทางอีสานนี่เขาเคารพพระมากกว่านั้นเขานั่งใส่เลยเขาไม่ยืนใส่เขานั่งพบับเพริเขานั่งยองๆแล้วก็หยิบใส่หยิบใส่เพื่อแสดงความเคารพต่อพระ รรราาแล้วกก่ ม, มอันนี้ก็แล้วแต่ความจําเป็นนะถ้าฝนตกมันจำเป็นจะต้องการก็กางได้ด้วยการฝนแต่ก็เฉพาะการถ้าฝนไม่ตกแล้วแดดออกอยากจะกางนี่ก็ไม่ควรแล้วล่ะเพราะแดดมันยังพอทนได้เดี๋ยวเดียวแต่ฝนนี่มันเปียกแล้วมันจะลําบากต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าต้องอะไรเราไม่ควรจะอยู่ใต้ชายคาด้วยหรือเปล่าอ๋อไม่เวลารถถ้าฝนตกก็ต้องไปอยู่ใต้ชายคามาอยู่กลาง ถามจากคุณสันติชัยเวลานั่งสมาธิต้องรู้ลมหายใจตลอดเวลาหรือไม่ครับแล้วถ้านั่งสมาธิแล้วไม่รู้ลมหายใจเข้าออกแสดงว่าเราหลับหรือไม่ครับก็ไม่หลับก็ใจลอยใ จ, zij, ใจเผลอใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แทนงั้นให้ต้องมีอะไรกากับใจดึงใจให้เข้าสู่ความสงบกา ร, รดูลมก็ดีด ก, ดการบริกรรมพุทโธก็ดีนี้เป็นการดึงใจให้เข้าข้างใน ถ้าเราไม่มีอะไรดึงใจมันจะไม่เข้าไปเองคำถามจากคุณเฉลิมพลค่ะช่วงนี้มีหมอดูชื่อดังบอกว่ามีาสามราศีดวงตกยังน่ะซึ่งตรงกับราศีคนในครอบครัวต้องไปไหว้เทพสามองค์ที่ราชประสงค์เพื่อแก้ดวงทํ <c oughs> าให้แฟนบังคับให้ไปไหว้ถ้าผมไปทํําาถ้ผมไปทาตามใจแฟนจะถือเป็นศีลละพัชตราบาปาไหมครับถ้าเราไม่เชื่อก็ไม่เป็นอะ เราทำไปเพราะสงสารแฟนทำให้เขาสบายใจอ่ะไปทำให้เขาหน่อยแต่ถ้าเราไม่เชื่อก็ไม่ เ, ม เ, เป็นศีรพัฒแต่ถ้าเราเชื่อว่ามันไม่มีอะไรหรอกเป็นเพียงแต่ความงมงายแต่ก็เพื่อรักษาความสมคัครใในครอบครัวไม่ให้เกิดความแตกแยกก็อ่ะภรรยาอยากให้ทำก็ทำไปให้เขาสบายใจเหมือนเด็กอ่ะบางทีเด็กอยากร้องอยากได้ไ ด, ไดนนไน้นู่นนี่นี่ก็อ่ะซื้อให้มันกินมันจะได้หยุดร้อง จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนั่งสมาธิโดยฟังหลวงพ่อเทศทาง Facebook ไปด้วยนั่งได้ดีค่ะแต่ควรจะนั่งสมาธิเองโดยไม่มีฟังหลวงพ่อบ้างใช่ไหมคะควรกําหนดเวลาอย่างไรคะก็หลังจากที่เรานั่งแล้วใจเราเริ่มสงบก็ลองปิดดูปิดปิดเสียงธรรมแล้วก็นั่งดูลมหายใจไปเพราะว่าถ้าเรานั่งดูลมหายใจได้ต่อไปเราจะได้ไม่ต้องอาศัยคนอื่นมาเป็น เป็นผู้ดึงให้เราเข้าไปสู่ความสงบแล้วมันจะสงบไม่ลึกเท่ากับเราดูลมหายใจเพราะเสียงมันก็ยังจะดึงใจเราไว้อยู่แต่ถ้าเราดูลมหายใจนี้จิตมันจะสงบได้ดีกว่าแต่ถ้าตอนต้นเราไม่มีกำลังที่จะดูลมเราก็อาศัยการฟังเสียงไปก่อนฟังธรรมไปก่อนพอฟังแล้วรู้สึกว่าใจเริ่มสงบแล้วลองปิดเสียงดูแล้วก็ลองดูลมหายใจต่อไป แล้วต่อไปเราจะได้นั่งสมาธิได้ทุกเวลาเพราะเรามีลมหายใจทุกเวลาแต่ถ้าเราฟังธรรมเดี๋ยวเกิดเครื่องโทรศัพ์เสียหรือไม่มีสัญญาณเราก็จะฟังไม่ได้ดังนั้นหันหันนั่งสมาธิโดยที่ไม่ต้องมีอะไรได้จะดีกว่าแต่ถ้าไม่มีตอนต้นอาศยัยการฟังธรรมไปก่อนก็ได้ อ, อีกสามอีกสามอีกสามข้อค ถ, ถามจากคุณพลค่ะ เคยเจอคนประเภทหนึ่งชอบจับคนมานั่งสมาธิเป็นหมู่คณะทั้งๆ ท, ที่ใจคนที่ถูกเรียกมาให้นั่งสมาธิมีทั้งเต็มใจบ้างและไม่เต็มใจบ้างการจับคนมานั่งสมาธิเป็นผลดีหรือเสียมากกว่าการกลับก็มันผลเสียคงไม่มีคือนั่งเฉยๆมันก็ไม่ได้ไปทำอะไรให้เสียหายดีกวาจับคนมานั่งกินเหล้านะจับก็ <quoi> จากคนนั่งกินเหล้าเดี๋ยวเมาก็ตีกันได้ <Yeah. S 1> แต่ทางที่ดีไม่ควรจะบังคับกันจะดีกว่าเพราะบังคับมันก็จะบังคับได้ชั่วขณะที่เราบังคับพอเราไม่บังคับเขาเขาก็ไม่ทำอยู่ดีดัง mm hmm. นั้นก็ถ้าเป็นไปได้ควรเชื่อเชิญกันดีกว่าแล้วปล่อยให้เป็นไปตามความสมัครใจใครอยากจะมานั่งก็มาแต่เราไม่บังคับก็ได้เราใช้วิธีล่ อ, อ ก, ก็ได้ mm hmm. ใครมานั่งก็จะให้เงินเดือนขึ้น ใครไม่นั่งก็ไม่ให้เงินเดือนขึ้นอย่างนี้ก็อาจจะทําให้มีความอยากจะมานั่งสมาธิก็ได้แต่ไม่ควรบังคับกันแต่หาวิธีล่ อ, อ ก, กันได้ดึงกันได้อีกสองข้ออะคําถามจากคุณพลพิทักการนอนการหลับนอนกับคนรักถือว่าผิดสี่ห้าไหมครับเไม่ผิดหรอกถ้าออถ้าต้องเป็นคู่ครองกันนะตามหลักของของธรรมเนียมประเพณี ควรจะอย่ารวมหนับนอนกันคนจะเป็นสามีภรรยากันคำถามจากคุณน้อยหนาไปทําบุญที่วัดระหว่างผู้ชายใส่ชุดขาวแต่ถือศีลห้ากับผู้หญิงชุดขาวและถือศีลแปดแท้จริงต้องเคารพใครมากกว่าเพราะที่เชื่อกันมาจะให้เกียรติชายมากกว่าหญิงถ้าเราดูที่ศีลก็ต้องเคารพคนที่มีศีลมากกว่า แต่นี่มันเป็นเป็นเพลงศีลชั่วคราวบางทีก็เลยยังไม่ถือว่าเป็นเครื่องวัดได้อย่างแท้จริงน้นก็ยังต้องเคารพตามหลักเดิมพ่อแม่เก็ยงเป็นพ่อแม่อยู่ก็ยังต้องเคารพพ่อแม่ถึงว่าพ่อแม่ไม่ถือศีลเราถือศีลอย่าไปถือว่าเราสูงกับพ่อแม่มันก็ไม่ควรนอกจากว่าถ้าเรามาบวชเป็นพระแล้วเนี่ยถึงว่าเออตอนนี้เราถือศีลอย่างอย่างถาวรตอนนั้นเราเราเราสูงกับพ่อแม่แล้ว พ่อแม่ก็ต้องให้เขาลบเวลาพบกับพระพ่อแม่ก็ต้องไหว้พระแทนที่พระจะไหว้พ่อแม่ก็ต้องกลับกันล่ะแต่ถ้าลูกมาถือศีลในเฉพาะวันพระวันเดียวเนี้ยก็ไม่ไม่ต้องไปบังคับให้พ่อแม่มาไหว้เราหรอกเพราะยังถือว่ายังไม่ยังไม่ถาวรยังไม่จริงเล่นถือแบบลิงหลอกเจ้าหรู้เปล่า <c oughs> ถือเพ่อให้พ่อมาไหว้เรา <c oughs>